เรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนในเมืองสาวัตถินี้เองมีพระราชาองค์หนึ่งได้เรียกราชบุรุษมาแล้วสั่งให้นําคนตาบอดแต่กําเนิดทั้งหมดมาประชุมกันในที่แห่งหนึ่งราชบุรุษผู้นั้นตามตามพระประสงค์แล้วพระราชาได้ตรัสสั่งกับราชบุรุษนั้นว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงแสดงซึ่งช้างแก่คนตาบอดแต่กําเนิดเหล่านั้น ราชบุรุษคือข้าราชการนั้นก็ทําตามพระประสงค์ให้คนตาบอดแต่กำเนิดพวกหนึ่งคลําซึ่งสีสระช้างพร้อมก็บอกว่านี่แหละช้างอีกพวกหนึ่งคลาซึ่งหูช้างพร้อมก็บอกว่านี่แหละช้างอีกพวกหนึ่งคลําซึ่งงางช้างอีกพวกหนึ่งคลําซึ่งหงวงช้างอีกพวกหนึ่งคลําซึ่งกายช้างอีกพวกหนึ่งคลําซึ่งเท้าช้างอีกพวกหนึ่งคลําซึ่งหลังช้าง อีกพวกหนึ่งคลำซึ่งโคนหางช้างอีกพวกหนึ่งคลำซึ่งพวงหางช้างพร้อมก็บอกเขาเหล่านั้นว่านี่แหละช้ า, ชางครัน้นราชบุรุษคือข้าราชการนั้นแสดงซึ่งช้างแก่คนตาบอดแต่กำเนิดเหล่านั้นแล้วพระราชาจึงได้เสด็จไปที่ประชุมแห่งคนตาบอดแต่กำเนิดเหล่านั้นได้ตรัสถามคนตาบอดเหล่านั้นว่าพ่อบอดทั้งหลาย พวกเธอเห็นช้างแล้วหรือครั้นได้รับทราบว่าเห็นแล้วจึงได้ตรัสถามต่อไปว่าถ้าเห็นแล้วพวกเธอทั้งหลายจงกล่าวดูทีว่าช้างนั้นเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายคนตาบอดพวกใดได้คลำสีสาะช้างก็กล่าวว่าช้างเหมือนหม้อพวกที่ได้คลำหูช้างก็กล่าวว่าช้างเหมือนกระด้งพวกที่ได้คลำงาช้าง ก็กล pe e ่าวว่าช้างเหมือนผานพวกที่คลำงวงช้างก็กล่าวว่าช้างเหมือนงอนไถพวกที่คลำกายช้างก็กล่าวว่าช้างเหมือนพ่อมพวกที่คลำเท้าช้างก็กล่าวว่าช้างเหมือนเสาพวกที่คลำหลังช้างก็กล่าวว่าช้างเหมือนครกกระเดื่องพวกที่คลำโคนหางช้างก็กล่าวว่าช้างเหมือนสากทำข้าวพวกที่คลำปวงหางช้าง ก็กล่าวว่าช้างเหมือนไม่กว่าคนตาบอดแต่กําเนิดตั้งหลายเหล่านั้นเถียงกันอยู่ว่าช้างเป็นอย่างนี้ช้างไม่ใช่อย่างนี้บ้างช้างไม่ใช่อย่างนี้ช้างเป็นอย่างนี้ต่างหากบ้างได้ประหารซึ่งกันและกันด้วยกรรมัดตั้งหลายภิกษุตั้งหลายพระราชามีความพอพระทัยเป็นอนันมากด้วยเหตุนั้นนี่คือรายการเปิดตามที่ถูกปิดตป้ออนไลน์เอพิโซดที่91ครับ 941แล้วครับอามาพระไพปภปูนก็มาพร้อมกับคุณหมอรัตพงศ์ครับกลับราชการครับกับผมรัตนพะงศ์กระดูกวิรุณครับเรามาในสัปดาห์นี้ถามคุณหมอรัตพงศ์เลยว่าหมอรัตพงศ์ว่าช้างเหมือนเสาไหมเออถ้าจับเฉพาะขาเนี่ยคล้ายเสามากเลยแน่นอนหรือหมอรัตพงศ์ว่าช้างเหมือนงูนกว่าดไหมถ้าจับหางตรงผู้หางนี่ก็ก็คล้ายแคลนแน่นอนเลยเนาะนะแต่ช้างมันเหมือนอะไรกันแน่จริงๆแล้ว ก็แล้วแต่ส่วนที่เราไปจับมึงครับมีแตกต่างหลากหลายใช่ใช่เนที่สําคัญนะที่ยกพระสูตนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยเพราะว่าเอาถ้าเราไปจับหูช้างเราก็บอกช้างเหมือนกระโด้งอะ่ะครับนะแต่ประเด็นคือช้างเนี่มันเหมือนช้างอ่ะนะช้าง ม, ม, มันไม่เหมือนกระโดงไม่เหมือนผานไม่เหมือนงอนไถ่ไม่เหมือนพ่อมไม่เหมือนสาไม่เหมือนครกไม่เหมือนสากไม่เหมือนไม้กวาดคือโดยรวมของมันเนี่ยนะช้างมันคือช้างคืออช้างเป็นสัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุด ใหญ่ที่สุดที่พู้เชาบอกว่ารอยเท้าอะไรสัตว์บกเนี่ยนะก็จะมารวมลงที่รอยเท้าช้างคือไม่มีอะไรจะใหญ่ไปกว่านี้แล้วคือช้างก็คือช้างอ่ะถ้าคุณเห็นหมดคุณก็จะจะจะเขาเรียกว่าเข้าใจว่าตัวช้างคืออะไรใช่ครับเห็นภาพทั้งหมดครับซึ่งนี้เป็นคนตาบอดก็เลยไม่เห็นภาพทั้งหมดใช่ไหมครับผุ้เชาเคยยกตัวอย่างด้วยนะว่าไม่ใช่แค่เห็นหรือว่าได้จับจับเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ย เอาต่อให้เห็นรอยแทะงารอยถูตัวรอยหักกิ่งไม้อะไรเนี่ย<ม>ก็อย่าพิ่งถึงความแน่ใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะั่จนกระทั่งคุณได้เห็นตัวมันจริงๆอครับที่พูดถึงปรามชื่อคณกาการมงคณะในะที่บอกว่ า, าเขาเขามีความมั่นใจว่าพระพุทธเจ้ า, า, าเนี่ยเป็นสวากขาตากลับไปพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะใช่ไหมพ ร, ระธรรมเป็นสวากขาตะพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันธ์เนี่ย นะเพราะเขามีเครื่องยืนยันของเราแต่พระเจ้าก็พูดในลักษณะนี้ว่า อ, อย่าเพิ่งถึงความแน่ใจนะจน ก, กระทั่งคุณได้เห็นตัวช้างจริงๆในประเดียวที่ยังไม่ฟังรประเด็นที่สำคัญก็คือว่าในสุภาษิตคำไทยเขามีคำอย่างนี้มารดพงว่าสิบปากว่าเนี่ยไม่เท่ามื อ, ม อ, อสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็ น, หนใช่ไหมตาเห็นคเ้เอไม่เท่ามือคลา แต่ในกรณีเนี่ยคุณไม่มีตาแล้วคุณไปคลำเอาครับนั้นเราก็เลยได้เป็นเข้าใจว่าช้างเหมือนพ่อมอารมาก็ไม่เข้าใจนะว่าพ่อมมันเกืออะไรนะอืผมก็ไม่ทราบครับก็เลยไปหาชาวนานะว่าพ่อมมันเกืออะไรเพราะคิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ชาวนาเขาใช้พ่อมเนี่ยคือที่เขาใส่ข้าวนะพงษ์เหมือนกระด้งอ่ะแต่จะพูดภาษาไทยให้คนเข้าใจกระด้งที่สําหรับใส่ข้าวนั่นคือเป็นหม้อที่สารขึ้นมาอ่าหม้อสารหม้อจากสารน่ะนะ ภ า, า, าชนะอสารชังไม้ไผ่ไไแล้วก็ตัวท้องของพ่อมเนี่ยมันก็เป็นลักษณะแบบโคง้โคงๆเหมือนกับท้องท้องช้าง อ, ะ อ, อ่ะออ่าเนี่ยก็เลยลักษณะว่ามันใหญ่มันเป็นพ่อมอ่ะที่สําหรับใส่ข้าวครับประเด็นตรงนี้ก็คือว่าแม้ถึงคุณจะได้สัมผัสนะแต่บางทีถ้าคุณสัมผัสได้ไม่หมดมันก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ อคือค บ, บางคนเราได้ยินว่าศาสนาพุดดีคําสอมพระเจ้าดีเออไหนดีมาอ่านมันเป็นไงวะนะคือตาเห็นละแต่ว่าถ้าใจยังไม่สัมผัสมันก็ได้แค่อ่านความรู้ของคนอื่นอย่างที่เราได้พูดไปใช่ไหมอ่าใช่ครับอ่าทีนี้พอคุณเอาความรู้นะั้นมาเป็นความรู้ของตัวเองแล้วคุณสัมผัสได้แล้วในะที่ส่วนหนึ่งนะเนะี่ยในส่วนหนึ่งนะอแต่ว่ายังไม่รู้ส่วนอื่นแล้วบอกว่าโอ้โหธรรมบุญเจ้ า, าเป็นอย่างนี้ก็จะเข้าทํานองตาบอกคำช้างนะ ก็เหมือนกับนักศึกษาแพทย์เขาไปอ่านหนังสือเรื่อง a า a ตม m y คือการเรื่องสรีระของร่างกายนะกับการไปผ่าอาจารย์ใหญ่นะคือผ่าศพว่างั้นแต่นะั้นสําหรับคนนี้ยังไม่เรียนแทยก็เข้าใจว่าคือการผ่าศพเนี่ยคุณผ่าศพกับคุณอ่านหนังสือที่เขาร่างกายของมนุษย์เป็นยังไงเนี่ยโอ้ยมันคนละเรื่องกันนะอ่านหนังสือคืออ่านหนังสื อ, อเฉยแต่ว่าต้องไปทําจริงผ่าจริงนะผ่าศพกับผ่าคนเป็นเป็ดก็ไม่เหมือนกันนะมันมีความรู้คนละแบบเกิดขึ้น อย่างาเราอ่านหนังสือขับจักรยานนะขับจักรยานทำยังไงหรือว่ายน้ำทำยังไงโอยมันไม่เหมือนกับตอนที่คุณไปนั่งขับนั่งจักรยานจริงๆล้มลูก ๆ, ๆุกลครานหรือว่าว่ายน้ําจริงๆแล้วก็สำลักน้ํำอึกอักไม่เหมือนกันนะเราแค่อ่านหนังสือเราจะเรรู้หมดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะเข้าข่ายทำนองตาบอดคำช้างนะ อืครับทีนี้ตาบอดคลำช้างเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนกันคือถ้าคนตาบอดคลำช้างแล้วเขาก็บอกไปเหมือนกระด้งเหมือนผานแล้วเขาไม่ต่อยกันไม่ทิ่มแทงกันด้วยกำปั้นทั้งหลายเนี่ยก็ไม่มีปัญหาพระราชาก็ไม่ต้องมาหัวเราะชอบใจใช่ไหมใช่ครับประเด็นคือว่าถ้าผมว่าเขาก็พูดไปแล้วเขาก็อยู่เฉยเไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่มีปัญหาเลยอ๋อถึงว่าจะเข้าใจไม่เหมือนกันก็ไม่ต้องด่ากันไม่ต้องว่ากันไม่ว่ากันไม่ทะเลาะกันใช่ไม่ทะเลาะกัน แต่ว่าถ้าเราไม่วิวาสกันคุณก็รู้ตรงไหนคุณก็รู้ไปตรงนั้นอ๋อช้างในความเห็นของฉันว่าฉันเหมือนฉากนะเหมือนฉากตำค่าแต่ถ้าคนอีกคนนึงบอกจะเหมือนไม่กวาด<ม>ก็อย่าด่ากันว่ากันอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหา<ม>เพราะว่าเขาเรียกว่า<ม>ความร่วมคุณมันมีเท่าตรงนั้นในวินยูชนคือความเป็นวินยูของเรามีแค่ตรงนั้นนะนะก็คือแค่ตรงนั้นนะนะประเด็นที่ต้องพูดตรงนี้ก็คือว่าถ้าเผื่ว่า พระราชาเนี่ยคอยหัวเลาะแบบชอบใจเป็นอันมากเลยที่พวกคนตาบอด เ, อ เ, เนี่ยมาทุ่มเถียงทะเลาะกันทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากครับเรากําลังจะช่วยกันเผยแพร่คำสอนพุทธเจ้าหรือว่าเพื่อที่จะมารู้ธรรมะให้เข้าไปในใจของเราเนี่ยนะถ้าพวกเราไปทะเลาะกันเองอ่ะแม้คนที่เขาต้องการจะให้คําสอนพุทธเจ้าไม่มีอยู่พวกมารพวกอะไรพวกนี้เขาก็จะมีความยินดีนะ อืมใช่ครับอ่าประเด็นคือเราอย่าทําเป็นเหมือนกับคนตาบอดกคำช้างนะให้มีความสามัคคีกันนะจะเห็นต่างก็ไม่เป็นไรหรอกนะคนคมันมีความเห็นต่างกันได้ถ้าเรายังไม่ได้มีความเห็นที่เป็นในแนวทางเดียวกันกับความไม่มีราคะโทสะโมหะอืมใช่ครับนะคือคืออย่างการฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยถ้าคนเป็นในทานก็จะบอกว่าดีคนที่เป็นโสดาบันก็บอกไม่ดีใช่ไหมใช่ครับในขณะที่ เรากำลังพูดถึงการละตัวตนในส่วนรัฐบก็ยังทําไม่ได้ในแต่พระอาหารหนต์ทได้แล้วอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังจะมีความแตกต่างในแง่มูลมาการธรรมหากินพระก็ไม่ได้ไปปลูกข้าวปลูกนาไปอยู่ออฟฟิศทํางานใช่ไหมใช่ครับแต่ก็ต้องบอกว่ า, าการขยันทํางานอย่างแข่งขันนี่เป็นสิ่งดีอย่างเงี้ยถ้า<ม>เราจะเอาความแตกต่างตรงนี้มาทิ้มแทงกันอันนี้ไม่ถูกไม่ถูกรเราก็จะเข้าขายนะั้นเราก็ให้เป็นผู้ที่มีตาสว่างบ้าง นะ ค, คือตาสว่างนี่ไม่ได้ว่าจําเป็นต้องเห็นชางทั้งตัวนะเพราะบางที่ก็ปฏิบัติได้ตามที่เราปฏิบัติได้เนาะแต่สิ่งที่ทําก็คือว่าเป็นคนตาบอดความช้างอยู่แต่ไม่ทะเลาะ ก, กันไม่ด่ากันไม่ว่ากันก็ไม่มีปัญหาครับต้องเปิดใจกว้างด้วยไหมครับว่าเอ้ยเพื่อนที่เพื่อนมันคลาอย่างเงี้ยมันคือว่าเอออาจจะถูกก็ได้เราอาจจะถูกไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยหมอเแล้วระเปิดประเด็นนี้มาดีมากเพราะว่าอย่างคนตาบอดพวกใดที่คลาเท้าช้างเนี่ย เขาก็จะบอกว่าช้างเหมือนเสาแล้วเขาก็จับยึดในความเห็นนั้นอย่างมากว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่ า, ลาจบเลยนะถ้าใครบอกช้างเหมือนพ่อมสวยละสิต่อยกันด่ากันนะไอ้พวกที่บอกช้างเหมือนผานนะคืองาช้างนี่ผานเป็นไงหมอหลวงรู้ไหมผานเป็นตัวที่ไถนาผานไถเป็นสําหรับที่แทะเข้าไปในดินะนะมันต้องทําจากเหล็กแข็งกล้ามากแล้วมีความคมสูง ใช่นะข้าวที่เรากินกินอยู่ทุกวันเนี่ยผา น, นี่เป็นตัวเปิดดินออกนะอู้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่สําคัญมากจริงสำคัญไงอ่างาช้างนี่แหละลักษณะของงาช้างอ่าเพราะฉะนั้นคนที่เห็นงาช้างคลำงาช้างเนี่ยบอกว่าช้างเหมือนผานนะแต่ถ้าเขาไม่มีความผูกยึดติด จ, จับแน่นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเอ๊ะถ้าเขาไม่มีตรงนี้นะมีคนบอกว่าช้างเหมือนกระด้งเออก็ลองฟังดูอย่างเงี้นะ ก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นถ้าคนตาบอดคนแรกคลำหัวใช่ไหมบอกเหมือนหม้อไหนขณะเดียวกันจะมีคนหนึ่งคนตาบอดเป็นไงเขาบอกอื้มช้างเหมือนไม้กวาดเฮ้คนที่คลำเหมือนหม้อก็ไปดูดีว่ามันเหมือนไม้กวาดจริงไหมไหนยังเพ่ได้เพิ่งด่ากันนะลองไปคลำหางดูเออมันเหมือนไม้กวาดจริงๆระนะคนแรกก็จะรู้ว่าอ๋อมันเหมือนไม้กวาดด้วยมันเหมือนหม้อด้วยไหนแล้วก็รู้ไปเหมือนเหมือนพ่อมด้วยมันเหมือนผานด้วยงาจับจําส่วนต่างๆทีนี้พอเรารู้ส่วนอื่นๆหมดแล้ว นะเแต่เรายังไม่รู้ว่าจริงจรช้างเหมือนเสามีคนหนึ่งบอกช้างเหมือนเสาขึ้นมาโอ๋ไหนลองไปจับดูดูอ๋อช้างเหมือนเสาอ๋อช้า ง, ง, งมันเป็นอย่างนี้ก็คือหายตาบอดและตาสว่างหมดละนะก็คือเราไม่ด่กกากันไม่ว่ากันแต่เราก็ไปตรวจสอบดูนะเราก็ไปดูว่าไหนมันจริงไหนไม่จริงนะด้วยการตรวจสอบดูคนตาบอดอื่นๆก็เหมือนกันนะถ้าเขามาตรวจสอบดูไม่ด่า ก, กั น, ไ ม, กกนไม่ว่ากันไม่ทุ่มเถียงกันนะก็จะทำให้รู้ความจริงทั้งหมดว่าเฮ้จริงๆช้างมันคืออะไรกันแน่ เนะใช่ครับอย่างน้อยอาจจะตาบอดอยู่นะยังอาจจะไม่สามารถที่จะทำลายวิชาไปได้แต่ก็ให้อ่อย่างที่หมอธนพงศ์ว่านะอย่าปึง เ, ปเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอย่างกรณีตาบอดที่พระพุทธองค์เปรียบเทียบไ ว, ว้นี่เหมือนกับถ้าเหมือนกับในคนตาดีก็คือเป็นอวิชาหรือเปล่าครับท่านใช่เป็นอวิชา <c oughs> นะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอัตตาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอนัตตา ไม่รู้อะไรเป็นธรรมะเป็นอธรรมะเนี่ยคือคนอที่คุณจะบอกว่าคุณมารู้ธรรมะเนี่ยคุณยังพูดไม่ได้หรอกถ้าคุณยังไม่เป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งนะ<ม>คือ<ม>หรือแม้แต่ว่าสมมติว่าอย่างที่อาจามาเคยพูดไปอะ่ะเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาปัติมรักนะโสดาปติมรักนะเป็นมรักนะเห็นใช่ไว่าคุณรักษาศีล5คุณมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วคุณออกไปทํางานแค่เนี้ยคุณยังไม่ได้ละสังยงสังยอดอะไรยังละไม่ได้เลยนะคุณเป็นโสดาปัติมรักนะ แต่เดี๋ยวๆมีคนมาด่าคุณคุ ณ, คณโกรธปุ๊บด่าเขากลับเนี่ยคุณหลุดออกจากโสดาปฏิมากนะเอากลั บ, บมาถึงตอนที่เรามีแค่โสดาปฏิมากก่อนแล้วถามว่าตอนนี้รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะรู้อะไรเป็นอธรรมะไหมาหตับคือรู้นะรู้รู้ ใ, <ช>ในณขณะนั้นใช่ไหมแต่พอมีคนมาดาปุ๊บไอความรู้นั้นหายไปแล้วนะหลุดเลยอ่ามันความมืดมันเข้ามาคลุมแต่นะเฮ้าายทาไมธรรมะนี่มันมันมีการกลับกําเริบมไนมีการสูญหายไปได้อ้าวกุณยังไม่ถึงจุดที่ยังไม่กลับกำลเริบมไง อืมอ่าโหอันนี้ตรงกับคําถามคุณวิชัยเลยครับเขาถามว่าไงล่ะครับก็คือเรื่องของโสดาบัล น, นะครับ<อ>กรณีของโซดาปฏิมักเนี่ยอคุณวิชัยเข้าใจว่ายัางอยู่ในช่วงที่อขึ้นลงได้ก็คื อ, อยังเสื่อมถอยถ้าหากมีเหตุปัจจัยในทางลบอย่างนี้ใช่ใช่ไหมครับถูก ต, ตอ้องถูกต้องโสดาปฏิมกกักเพราะว่าสังโยมมันยังไม่ละไปนะสังโยคือเครื่องร้อยรัดเนี่ยเครื่องร้อยรัดสามข้อแรกนี่ยังยังไม่หลุดออกยังไม่รัดเราแน่นอยู่อืม มันจึงมีการกลับกันมาเรื่องของอะไรนะของสิ่งที่เป็นไม่ใช่มรรคครับนะสิ่งที่ไม่ใช่มรรคเช่นด่าว่ า, ามิจฉาทิฏฐิพวกนี้มีแน่นอนแต่ยังมีสังโยชน์อยู่อ๋อแต่ว่าอยู่ในหนทางละหนทางใช่ใช่ความรู้ความเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้พอเราเรามีความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บมันครอบงมละนะเป็นควันมืดมาเลยแล้วก็คลุมอย่างกรุงเทพช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ฝนเมฆดำมาคลุมหมดโอ้โหมันฝนตกอึบรถติดน้ำท่วมรต่างๆตามมาเป็นเพลอด<ช>เพราะรว่าความมืดมันปกคลุมเอาไว้เช่นเดียวกันจุดนั้นถ้าคุณไม่มีสติคอยละใช่ไหมควันมืดเข้ามาแล้วมองอะไรไม่เห็นมืดหม ด, มดก็จะทิ้มแต่งันด้วยหอกคือปากนเราก็คอยแก้ๆไปนะคือหรือแม้แต่โซดาปฏิผลก็ตาม นะโสดาปฏิผลก็ยังไม่สามารถละปฏิฆะละกามราคะไดนะ้ปฏิฆะมีคนพูดมันยังขัดเคืองอยู่ครับอพูดไม่ถูกใจเราเราก็ยังขัดเคืองอยูนะ่แต่พระอาหารหันต์เนี่ยไม่ขัดเคืองละนะไม่ไม่จีดขึ้นมาอนะย่างพระโสดาบันอย่างเงี้ยอาจจะมีจีดบ้างแต่ยังเก็บไว้ในใจไม่ถึงออกมาขนาดว่าเป็นมิจฉาวาจาแตนะ่แต่พึ่งพึ่งอยู่ อาจจะว่าเขาบ้างนะแต่ไม่เป็นวิชาวจ า, าอย่างเงี้ยออก็มีนะถ้าเป็นโซดบัลคือคําถามคุณวิชัยที่บอกกรณีของโซดาปฏิผลเนี่ยก็คืออในพระสูตรมีบอกว่าไม่อาจแปรปรวนอย่างนี้คือใช่ใช่ไหมครับใช่คือความแปรปรวนเนี่ยเทียบกับอะไรนะความแปรปรวนเนี่ยคือแปรปรวนไปจนเข้าถึงนรกกาเนิดเด ร, รัจฉานเปรตวิสัยนะอ๋อไม่ถึงอบายภูมิไม่ถึงอบายภูมิ เอ๊ะถา ม, ถามว่าไม่ถึงอบอภูมแล้วมันถึงไหนตรงไหนเรียกว่าอบาอภูมิค่ามดได้ไหมโสโตรบันนะบางคนจะไปเข้าใจใ<ช>ว่าโสดาปฏิผลนะไม่ได้โซดาดีนะมาร์กนะครับเอาโสดาปฏิผลคุณข่ามดได้ไห ม, มคุณโอ้โหคุณเป็นสรตรบันคุณจะบี้มดโอ้ยไม่บี้ไม่ได้คุณเป็นโสโารบันคุณจะบี้แมงมุมบี้ไม่ได้ไงเออครับหมอแล้วผมว่าเป็นยังไงไหมคิดว่าโดยเจตนาท่านไม่มีเจตนาทำร้ายหรือเราพูดถึงเจตนาเลยเหรอเอาพูดถึงเจตนาเลยเหร คิดว่าไม่ไม่มีครับมรว่างใช่ไหมเรับช้วิทยุพุทธวัจนาวิเคราะห์กันแต่นะพุทวัจนาวิเคราะห์นะโซเรบัลเนี่ยคือผู้ที่มีความไม่แปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นไปเป็นอย่างอื่นนี่เป็นอย่างไหนเอาให้เป็นจะจงนิดนึงนะคำพุทธเจ้าเราต้องอ่านทุกตัวนะมีความแปรปรวนไปไม่เป็นอย่างอื่นไปจากจนกระทั่งถึงเข้าสู่นรกกําเนิดเอกสารเปลือกวิสัยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ที่สวดบันเนี่ยจะแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นจนกระทั่งเข้าถึงนรกกาเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอฟังอีกครั้งหนึ่งนะหมอรัพย<ะ>์พงศ์โซดบันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะแปรปรวนเป็นไปอย่างอื่นจนกระทั่งเข้าถึงนรกกาเนิดเดรัจฉานเปรวิสัยถามว่าข้ามดเนี่ยมันตกนรกไหมหมอรพย์พงศ์ว่าข่ามดตัวหนึ่งอะจริง<แ>ๆก็ไม่ไม่น่าจะถึงตกนรกไม่ตกนรกอยู่แล้วใช่ครับ นะแต่อะไรที่ตกนรกพุทธเาบอกว่ากรรมฆ่าสัตว์เนี่ยทําบ่อยๆซ้าๆย้าๆทาเป็นอาจินอันนี้นรกกาเนิดเ ด, เดรัจฉานปริวิสัย<ช>นะดาวว่าคน<ช>บ่อยๆซ้ซําๆเป็นอาจินนรกกาเนิดเดรัจฉานปริวิสัยครับนะดาบ้าว่างๆิดนิดหน่อยได้ไหมเออมันไ ม, ไม่แน่นะใช่ครับเออเพราะว่ามันไม่ได้ไปสูญนรกกาเนิดเดรัจฉานปริวิสัยบีมดสามตัวก็ยังไม่สามารถทําให้เราเป็นนรกกาเนิดเดรัจฉานปริวิสัยนะอืมใช่ครับคือหมายว่าคนที่มีบุญมากนะ คนที่มีบุญพอที่คุณจะเป็นสดาภันนี่นะมันไม่ใช่บุญน้อยๆนะมันต้องมีความสามารถบ้างเนออกป่าถ้าคุณเป็นสุดาปฏิพันธแล้วนะแล้วคุณยังไปบี้มดสามตัวเนี่ยเอออันนี้มันมันไม่ได้ทําให้คือผลของการกระทําจากการบี้มดสามตัวตรงเนี้ยแค่ส่วนเนี้ยนะถ้าจะให้อใครสักคนใดคนหนึ่งมาพยากรณอ่ะ ต่อให้บุรุเจ้าพยากรณ์เนี่ยก็ได้ตรัสไว้เป็นพุทธวจนะยอยู่แล้วว่าถ้าฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นอ จ, จินประจำประจำเนี่ยนะคุณไปนรกกาเนดดิดไรชาญเป็นวิสั ย, ยแน่เนี่ยแต่ถ้าบอกว่าฆ่านี่นหน่อยพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าชี้พลงให้ก็ะลอกอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่ได้พูดอยู่แล้วนะแต่ที่พูดแน่ๆน่ยคืออะไรคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ่ อ, อรนันทำทรงให้แตกกั น, น, นทำบุรุษเจ้าให้ห้อเลือดเป็นไปไม่ได้ที่โสดาบันจะท บ, บอันนี้แน่นอนฟันธง นะ<ค>ถ้าอนันตร์ระยกรรมใช่ถ้าจะฆ่ามนุษย์ด้วยกันต่อคูโสดาบันยังไม่ทําเลยอืใช่ ค, คื อ, ค อ, คอจิตจะไม่น้อมไปอย่างนั้นนะแต่แต่เพราะว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยอันนี้พุทธวจนะแน่นอนครับนะแต่ถ้าฆ่าอะไรนิดหน่อยเออมันเป็นได้เอแล้วถามว่าทําทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่ใช่ว่ากรรมจะไม่ให้ผลหอผมอระพงให้ผลแน่นอนให้ผลนะอย่างในที่พยสนสูตรที่พระเจ้าพูดถึงว่าอ่าสิบแปดอย่างที่ทําแล้วเนี่ยจะทําให้ ตัวเองไม่ดีนะมีความชิปหายสิเออย่างอย่างใดอย่างหนึ่งครับงสมมติโซดาบันฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยหรือโซดบันด่าคนอื่นอย่างเงี้ยโซดาปฏิผลนะด่าคนอื่นตัวเองจะเสื่อมไหมน่าจะน่าจะเสื่อมคือเสื่อมไปจนถึงเข้าสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปิดวิสัยเนี่ยเป็นไปไม่ได้อ่าใช่ครับเนาะแต่เสื่อมคือสัตยธรรมของตัวเองจะไม่ผ่องแผ้วอันนี้เป็นไปได้เสื่อมอย่างเช่นว่าจะถูกต้องโรคอย่างหนักอันนี้เป็นไปได้ เสื่อมอย่างเช่นว่ า, าสัจธรรมของตัวเองไม่ผ่องแผ้วหรือว่าไม่พอใจในการประพฤติพรหมจรรย์นี้พอเป็นไปได้ำสําหรั บ, รบสโสดาบัปฏิผลนะครับสโสดาปฏิผลเพราะฉะนั้นเสื่อมเนี่ยมันก็มีเสื่อมหลายอย่างแต่เสื่อมจนเข้าถึงนรกกนนระาดาเดชฌานไปวิสัยเนี่ยอันนี้เป็นอาานะัตตาคือเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับท่านพระสารีบุตรเคยเปรียบเทียบเหมือนกับภาชนะสัมฤทธ ปลาชนิดสรรัมฤทธิ์ที่เขาขัดดีแล้วทำดีแล้วนะแต่ว่าดันเอาไปผึ่งไว้ในลมแดดให้เปียกฝนมันก็หมองขึ้นมาอ๋อใช่ครับในขณะที่ถ้าเราเก็บไว้อย่างดีมันก็ยังสดใสเหมือนเดิมอถ<ต>ี่แวววาวแต่อะไ ร, รสรรัมฤทธิ์มันก็คือสรรัมฤทธิ์อ่ะใช่ว่าอย่างจิตพระพสพศในใจของเราเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาต่อให้คุณไปอยู่ในนรกคุณไปอยู่ในกำหนดเดรัจฉานคุณอยู่เปลววิสัยนะหรือว่าบางทีคุณทําชั่วบ้างบาปบ้างจิตประพศมันอยู่ในใจเราตลอดเวลา แต่เพราะมันเศร้าหมองเพราะกิเลส ท, ที่เป็นอคันติุกจรมามันจึงเศร้าหมองแล้วมันมันไม่เห็นมันมืดอยู่ยิ่งลึกมากนรกมากก็ยิ่งมืดมากนะมืดมากจะอะไรเห็นอะไรโผล่มานะก็จะเป็นวา จ, จาที่ชั่วอยาบบ้างการกระทําที่เป็นทุจริตทางกายวา จ, จาใจพวกนี้ครับแต่ถ้าเราพยายามลอกขูดออกปัดทิ้งนกิเลส ท, ที่เป็นอคันติุกจรมาเนี่ยจนพระเจ้าใช้คําว่าเป็น ผู้ไกลจากกิเลสในกิเลสมาใกล้ปุ๊บเราห่างออกหนีออกหลบออกเลี่ยงออกบิดออกปัดทิ้งไม่เอาไว้นั่นนั่นคืออรหันต์รวยหลายหลุดออกจากกิเลสได้หลุดหลุดพ้นจากกิเลสทั้งพวงก็เรียกว่าไกลจากกิเลสผู้ไกลจากกิเลสในบทสวดนี้ครับใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์เราก็เป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสตรงนี้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นจิตพระพุทธสามีอยู่ในเรา เราไกลออกจากกิเลสแล้วจุดตรงนี้มันจะปรากฏออกขึ้นมาได้นตะ่มันก็เป็นลําดับขั้นไปนะถ้าคุณคทําถึงจุดที่มีความไม่แกล้มกาเริบแล้วนั่นคือมีเมาสโตนอยู่มีเขาเรียกว่าหลักกิโลเมตรอยู่กิโลเมตรลักอ่าลนั่นก็คือโซดาปฏิพลนะไม่ใช่มาร์กนะสกัดท่าข า, ามีมาร์กนะไม่ใช่สกัดถ้ามีคามีผลนะไม่ใช่มาร์กนะอารตาตมัการาตผลนะไม่ใช่มาร์กนะแต่เป็นผลพวกนี้จะเป็นเมาสโตน เป็นหลักกิโลเมตรที่เรียกว่าอาจจะมีความไม่กลับกําเริบอยู่นะคุณธรรมณตําแหน่งนั้นๆั้นอันนี้ก็จะสอดคล้องกับผุ้บวชนะเนาะครับ เ, รเข้าใจเลยครับทีนี้อย่างในกรณีที่เรากําลังเดินมาร์กอยู่นะมันยังไม่ถึงความไม่กลับกําเริบมันยังมีการกลับกำเริบอยู่นะก็เรียกตรงนี้พระเจ้าใช้คําว่าอัคคุปปธรรมธรรมที่ยังมียังไม่กลับกําเริบนะอัคคุปปธรรม กูปธรรมใช่ใช่ทำที่ไม่กลับกําเริบทีนี้ถ้ามันยังมีการกลับกำเริบอยู่นะบางที่เราฟุตฟาดวิดวัดขึ้นมาเปลี่ยนปร่งขึ้นมานทําสิ่งที่ไม่ดีบ้างเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องหาที่พึ่งต้องหาอะไรใช้อะไรเป็นที่พึ่งดีครับใช้อะไรเป็นที่พึ่งผูู้้จาต่อตรงนี้กระทอตอนนั้นผูู้้จาอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ําเนลอนเชราคือออกจากต้นโพบละ นะต้นต้นโพลแล้วก็เดินไปนั่งอยู่ที่ต้นใส่นะต้นไส่ต้นนี้ก็เป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแฝดนะครั้งหนึ่งแรกตรัดสัตรู้ใหม่ๆยังไม่ได้สอนใครเลยนะมานั่งก็เรียก ว, ว่าสบายใจอยู่องเดียวอทอนอารมณ์ <laughs> <laughs> พระเจ้าก็บอกว่ามีเมื่อหลีกเล่นอยูนะ่คือปฏิสานลานะหละับเป็นผู้อยู่คนเดียวใช่ไหมหลีกเล่นแล้วนะไม่มีใครอยู่ด้วยมีความสงัดอยู่ในใจก็มีความคิดนี้ขึ้นมามาแลพงศ์บอกว่า ผู้อยู่อย่างไม่มีที่เคารพไม่มีที่พึ่งพำนักย่อมอยู่เป็นทุกข์ฟังอีกครั้งหนึ่งนะผู้อยู่อย่างไม่มีที่เคารพไม่มีที่พึ่งพำนักย่อมอยู่เป็นทุกข์เราจะพึงสาการะเคารพสมณะหรือพราหมณ์คนไหนหนอแล้วแลวอยู่แล้วแลวอยู่หมายความว่าแล้วตั้งอยู่ในวิหารธรรมนั้นนะคือหมายความว่าเราจะพึงสกัการะเคารพสมณะพราหมณ์หรือพรามหมณ์คนไหนดีหนอแล้วถึงจะอยู่เป็นสุขได้นะ พระรูชายังระลึกถึงว่าเออเราจะควรจะกราบใครเอาใครเป็นครูบาอาจารย์นะพูดอย่างเงี้อเอาใครเป็นครูบาอาจารย์นะเพราะว่าคนที่อยู่อย่างไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีที่เคารพไม่มีที่พึ่งํานักเนี่ยย่อมอยู่เป็นทุกข์โอ้ขนาดนั้นเลยนะครับอ่าถ้าคือถ้าเราจะเปลี่ยนว่าไอ้คาว่าที่พึ่งที่เคารพเนี่ยที่บานักเนี่ยคืออะไรนะัะก็คือคือเราใช้ครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งที่ํานักที่เคารพได้นะพระรูชาวยให้ใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่บานักที่เคารพใช่ไหม ใช่ครับเออทีนี้พระเจ้าก็เลยบอกว่าเอ้เราในโลกเนี่ยนะในสามโลกเนี่ยนะครับเราไม่เห็นใครที่เป็นตัวคนๆเนี่ยติบูคนเนี่ยนะที่จะเลิศพร้อมสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยยิ่งไปกว่าตัวเราเองนะคือพระเจ้าเองไม่เห็นมีเลยครับเออเราถ้าเรามีศีลมากกว่าเขาเราไปกราบเขาเนี่ยก็จะไม่ดีเรามีปัญญามากกว่าเขาไปกราบเขาก็จะไม่ดีเอางี้แล้วกันอืเราครบรับธรรมะกันแล้วกัน ธรรมะใดที่เราตรัสรู้เนี่ยเราพึงสัการะเคารพธรรมนั้นเถิดว่างนิในธรรมครับอืมสัการะนะสการะเคารพธรรมั้การะนี่คือหมายถึงการบูชาการกราบไหว้การสการะนะคืออันนี้คือเป็นภาษาบาลีอนะสการะครับอทีนี้เดี๋ยวเขาจะค่อยแกะไปทีละประเด็นนะประเด็นแรกตรงนี้เนี่ยเอต้องการจะบอกว่าผู้รู้เช่าเนี่ยก็ยังต้องหาครูบาอาจารย์นะมแต่บรรลุบรรลุแล้วใช่ไหมครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ที่ไม่มีที่พึ่งที่เคารพเนี่ยย่อมอยู่เป็นทุกข์คือแล้วหาใครหาบุคคลนะหมอรัฐพงศ์หาบุคคลนะคนเลยจนกระทั่งไม่เจอจริงๆแล้วจึงค่อยเอาธรรมะมาใช้อืธรรมาก็ต้องการจะบอกตรงนี้ว่าสมมุติว่าถ้าหมอรัฐพงศ์บอกว่าเออเอาธรรมะเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์เราเราควรจะเอย่างี้ดีกว่าไหมเอาตามลําดับพระเจ้าก่อนไหนพระเจ้าทำยังไงพระเจานึกถึงบุคคลก็เอาใครเป็นที่พึ่งที่เราเลื่อมลืดี ถ้าไม่มีจริงๆแล้วเอาธรรมะครับคือหมายความว่า ง, างี้นะอย่างบางทีเราเดินไปตามถนนทางอยู่ที่ทํางานอย่างเงี้ยเราพยายามที่จะเป็นสวดธรรมราดเดินอยู่ในสวดปฏิมากร์เงี้ยครับพรากฏมีคนด่าเรามีคนออกกับ<ม>ดักมาวางไว้ฝนตกรถติดไม่ได้ร่มไปโอมันจี๊ดมันมันเปี่ยนแ่างขึ้นมาครับเปล่ยงแป้งขึ้นมาด่าคนว่าคนเตะหมาอย่างเงี้ยเอตรงนั้นเนี่ยคุณไม่ได้เอาธรรมะเป็นที่ยึงนะอืมใช่ครับคือคือธรรมะเนี่ย เขาให้คุณพึ่งได้แล้วแต่คุณไม่เอาเขาเองเข้าใจไห ม, มเพราะฉะนั้นต่อคถามว่าตอนนั้นคุณจะเอามรักแปะมาเป็นที่พึ่งเอ่ะอคุณไม่ได้ไเลยใช่ครับเพราะอะไร อ, อย่างคนในโลกอับมอรัพย์งมีตั้งเป็นล้านคนเนะ่ะคนดีดีดีก็มีเอ๊ยทาไมเราไม่ไปกับเขาอ่มกัลยาณมิตรเออทําไมเราไม่ไปคบกับเขาหรื อ, อหรือคนรวยรวยคนที่มีเงินเยอะแยะก็มีเอ๊ยทาไมเราไม่ไปขอจากเขาหรือว่าไปทําธุรกิจร่วมกับเขาให้เขาได้เงินเอให้มีการค้าร่วมกันขึ้นมาได้ ก็เพราะมันไม่เจอกันน่ะใช่ครับออกไหมเหมือนธรรมะคุณอ่านอยู่คุณคุณอมีหนังสืออยู่แต่ว่าธรรมะไม่ได้อยู่ในใจคุณนะคุณอย่าพูดเลยสืออเคุณอย่าไปพูดเลยว่าคุณเอาธรรมะเป็นที่พึ่งนะมีนาทีนั้นอย่าพูดเลยว่าเอาเอามากแปดเป็นกัลยาณมิตรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมิตรที่จะช่วยคุณได้ในตอนนั้นครับก็จะไหมมิตรที่ไม่ได้อนุเคราะห์ในยามที่อต้องการเนี่นะคือไม่ใช่มีแทนนะโอ คำนี้คมนะครับคือตอนเราต้องการความช่วยเหลือมันไม่มาช่วยเราอะ่ะหรือรว่าพึ่งไม่ได้อะไม่ไม่ถูกเวลาอ่าตรงนี้เขาเรียกว่ามิร ด, ดีแต่พูดอมิดดีแต่พูดอคือเมื่อเกิดกิจที่จําเป็นเมื่อเกิดกิจที่จําเป็นขึ้นเนี่ยแสดงความขัดข้องนั่นคือออกปากพึ่งไม่ได้นะหรือว่าสงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์แต่ตอนนี้ฉันต้องการให้จิตสงบมันเร่งบ้างขึ้นมาโอตมัตอนนั้นคุ ณ, ค, ณคุณไม่ได้คือคุณไม่ได้ใช้มากแปด เ, เพื่อนแล้วอะ่ะ คือคืนนี้พระเจ้าพูดตรงเนี้ตรัสตรงเรื่องของมิตรเนี่ยคือหมายถึงตัวบุคคลนะ ค, คือคืออันนี้ไม่ได้หมายความว่าธรรมะเป็นสิ่งที่คุณพึ่งไม่ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะนนเรากําลังพูดถึงบุคคลนะตัวเป็นๆสมมุติว่าตอนนั้นจะมีเพื่อเราอยู่ตรงนั้นพอดีเลยเนะี่ยที่คอยจะมาเตือนว่าเฮ้ย hey, อย่าพึ่งโกรธอย่าพึ่งโกรธเตือนๆไว้หรือว่าหาสิ่งอื่นมาคอยปลอบประโลมพูดให้เรานึกถึงอย่างอื่นก็ทําให้เราคลายความโกรธไปได้นะโอ้คนนั้นเป็นคนที่พึ่งได้จริงนะ อืมจริงครับหมอลพงศ์นึกออกนะนึกออกครับเพราะฉะนั้นตัวพระเจ้าเองตัวพระองค์เองเนี่ยนึกถึงก่อนไม่เอ๊ะจะพึ่งใครดีที่เป็นตัวบุคคลจนกระทั่งหาไม่ได้แล้วจึงพึ่งธรรมะนะเราตามลำดับของพระเจ้างั้นดีกว่าว่าร เ, เราจะหาใครที่มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงนะคือตัวบุคลคลนะซึ่งพระเจ้าก็พูดไปถึงสมณพราหมณ์คือหมายถึงพระสงฆ์ครูอาจารย์หรือใครก็ได้นะที่มีศีลสมาธิปัญญาที่เรามีศรัทธา เข้าไปตั้งวันนี้บุคคล น, นั้นครับเออแล้วในขณะเดียวกันเราก็พิ่งทํามะได้คือธรรมะเราเราพิ่งได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับมันเป็นนามธรรมอ่ามันมันอยู่ในใจเราตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่เพียงว่า ค, ค, คุณจะเอาพึ่งเพึ่งธรรมะไหมท่านั่นเองนะจุดนั้นเนี่ยณจุดวินาทีนั้นนะคุณเพึ่งได้ธรรมะได้ไหมครับถ้าคุณมีสติตลอดอ่าคุณพึ่งธรรมะได้ตลอดละคือคนที่อยู่อย่างไม่มีที่พึ่งที่ระลึกถึงเนี่ยไม่มีที่ครบไม่มีที่พํานักเนี่ยย่อมอยู่เป็นทุก นี่พุทธวจนะนะผู้อยู่อย่างไม่มีที่เคารพ ไ, ไม่มีที่พึ่งควานักย่อมอยู่เป็นทุกข์เราจะสักการะเครารพสํมณพราหมณ์คนไหนดีหนาะน ะ, ะธรรมะนี้เราต้องเคารพอยู่แล้วเพราะฉนั้นเราควรจะหาครูบาอาจารย์ที่เป็นที่พึ่งที่คำนักที่เคารพนะแล้วก็สักการะเคารพ บ, บูชาคนไหนสักคนใดคนหนึ่งนะที่เราจ ะ, ะเห็นว่าเรามีศรัทธาอยู่อย่างเงี้ยก็จะถูกต้อง ในในกรณีของครูบาอาจารย์เนี่ยในพระวินัยมีกําหนดไว้ใช่ไหมครับว่าพระที่บวชมาหพรรษาแรกใช่ไหมครับจะต้องมีครูบาอาจารย์แบบอยู่ด้วยใช่ที่เป็นก็เรียกว่าเป็นอาจารย์คอยถือนิสัยถือนิสัยนิสัยนี่คือหมือนว่าให้อบรมสั่งสอนบอกกล่าวแล้วก็ตักเตือนอย่างนี้เป็นผู้ที่เมื่อท่านพูดอะไรเราจะเชื่อฟังอย่างนี้นะครับก็คือลักษณะของถือนิสัยส่วน ส่วนคารวาสก็ควรจะมีในลักษณะว่าผู้ที่เราจะสักการะเคารพบูชาตรงนี้อืมครับคอยขนาดเราตอนที่เราทําไม่ดีใช่คอยตอนที่เราตาบอดตาบอดอ่ะครับเดี๋ยจะไปคําช้างเนี่ยนะคอยมาเตือนว่าอันนี้นะคําตรงนี้นะนิ้เท้านะคำตรงนี้นะหลังนะคำตรงนี้นงหูนะมันจะได้ตาสว่างสักทีนะครับอืม เือเพื่อที่จะให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นที่สักการะเคารพ บ, บูชาฟังกันเถอะใช่จริงครับอันนี้พูดถึงความเป็นเป็นหลักความจริ ง, จ ร, งจริงๆเลยนะครับอืมเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงบูชาบูชาเนี่ยถามเอเราจะสักการะเคารพ บ, บูชาสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างไรดีอืทําอย่างไรถึงจะเรียกว่าไม่เป็นวัตถุตัวละมงคลนี่คือการบูชาในลักษณะที่ว่า เป็นมงคลของสมณพราหมอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับเนอะก็เป็นปฏิบัติบูชาหรือเปล่าครับท่านอันนี้ก็ที่พระเจ้าตรัสไว้ก็มีการบูชาว่าเป็นปฏิบัติบูชามีอยู่ใชค่ครับครับการบูชาที่เป็นปฏิบัติบูชานี้ดีที่สุดอยู่แล้วครับพระพุทธเจ้าทำยังไงบูชาพระธรรมนะพระพุทธเจ้าจะบอกว่าสักการะเคารพธรรมะเนี่ยพระองค์ทํำยังไงเอ่อพระองค์ก็ไม่ได้กราบธรรมะนะครับคือตัวพระองค์ก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีแนหลักฐานในพระไตรปิฎกว่า ได้กราบธรรมะหรือว่าสร้างอะไรเพื่อที่จะบูชาธรรมะตรงนี้แต่พระองค์ก็ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าเราเป็นผู้เคารพธรรมใช่ไหมเรากล่าวอย่างไรนะเราทําอย่างนั้นเราทําอย่างไรเรากล่าวอย่างนั้นนเะพราะเราเป็นผู้หนักในธรมรมอ่าผู้หนักในธรรมก็คือปฏิบัติธรรมอย่างเป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊เล ย, เเลยครับอืมครับเพราะฉะนั้นทําให้ตัวได้อะไรทําให้ตัวเราได้อะไ ร, รได้ศีล ส, สมาธิปัญญาในะพระธรรมก็พูดถึงแค่ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหม เพราะนั้นมันก็ยังมีที่ละเอียดลงไปอีกนั้นเนื้อขึ้นไปอีกเล้นรู้ขึ้นไปอีกไงมันก็จะละเอียดลึกซึ้งขึ้นไ ป, ไปขึ้นไปนัก็คื อ, อาการบูชาด้วยการปฏิบัติทีนี้<ม>ทีนี้การบูชาของแต่ละคนเนี่ยไอเดียหรือว่าความคิดมันก็ไม่เหมือนกันไงไม่เหมือนกันใ ช, ใชบนน่บางคนว่าอย่างนี้ดีบางคนว่าอย่างงน้นดีใช่อย่างการบูชาพระธรรมอย่างเงี้ย ถ้าเรามาคิดว่าอธรรมะนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ชนิดที่ว่าจะบรรดาอะไรให้เราได้อย่างเงี้ยนะใ<อ> น, นลักษณะที่ว่าเสกวับโดยที่เราไม่ต้องปฏิบัติธรรมะด้วยการบูชากล่าวไหว้แค่นี้เองเนี่ยอันนั้นเป็นวัโตโกตูห์ขเรามางคนโอไปขอพระขอเจ้าเป็นการเที่ยวขอขอใช่กา ร, รขอนี่มันไม่ใช่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นเป็นความทุกข์นะอ่าจริงครับแต่ว่าสิ่งที่ธรรมะให้คืออะไร สิ่งธรรมะให้คือคุณไม่ได้ถ้าขอแต่คุณปฏิบัติตามอย่างเราพูดถึงอธิษฐานไงอธิษฐานอธิษฐานว่าให้เราอธิษฐานคือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอธิษฐานไม่ใช่อธิษฐานขอนะแต่อธิษฐานปฏิบัติอย่างเงี้ยคือตั้งใจทํานั่นนคือคุณมีธรรมะเลยเดี๋ยวนั้นเลยอืสมัยเนี้ยหมอรุ่งพงดูนาบ้านเมืองเป็นยังไงควุ่นวายครับไม่ต้องพูดถึง <laughs> เรื่องไม่ดีเราไม่พูดถึงหลมงี่เราไม่เอามาเปิดแต่ว่าเราทราบกันอยู่แล้วมันมีของเหม็นๆอยู่แบบนี้อยู่อย่าไปเปิดมัน <ừ> แต่ว่าเราต้องการผู้ใดเนี่ยเราต้องการบอกว่ามันยิ่งจะต้องมีการที่ทำเพื่อให้สิ่งเหม็นๆนี่มันหายไปนะ <ừ> คือ <ๆ S 2> หมายความว่าถ้าเราบอกว่าอของไม่ดีมันมีอยู่ในโลกนะแล้วเราไปเที่ยวว่างั้นเราต้องการธรรมะมาชาระล้าง ธรรมะจะเป็นการชำระล้างพวกสิ่งนี้ออกไปได้แต่ว่าที่เรียกร้องให้คนอื่นเขาผลิตธรรมะผลิตธรรมะแต่ตัวเองก็ไม่ได้ผลิตธรรมะเข้าใจไหมก็ไม่ถูกอ่ามันคือธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในจิตใจของทุกคนอยู่ในจิตใจของเราทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปเรียกร้องให้ใครผลิตธรรมะเลยเราผลิตเองได้ดิมาส์ supply เรา supply เองเลยคือหมายความว่าถ้ามีแต่คนดิมาส์ดิมาส์มีแต่คนต้องการใช่ไหมแต่ supply ไม่มีไม่มีคนผลิตธรรมะมาให้่ะ โอ้โหรมะก็ราคาสูงสิสูงเท่าไหร่ไม่ประเมินค่าไม่ได้ครับธมะนี่ของประเมินค่าไม่ได้อยู่แล้วนะทีนี้พอมีคนต้องการธมะมากมากธมะมากมากแล้วมันขาดแคลนมากมเนี่ยไม่มีใครผลิตธมะเลยเนี่ยธมะจึงเป็นของที่มีคนจะต้องมาใส่ราคาเพื่อที่จะให้ว่ามีการซื้อขายใช่หมเดี๋ยวเพื่อดีว่าอ่ะกูได้ธมะไปเอ๊แต่ทําไมก็ยังเหมือนขาดแคลนธมะอยู่นะเอ้าแต่ว่าจริงธมะอยู่ในใจฮะอืมใช่ครับ จริงๆประเด็นนี้สำคัญนะครับแล้วแล้วถ้าผัวต้องการแต่ผลิตธรรมะผลิตธรมะหมายความว่าต้องมีแต่คนต้องการธรรมะแต่ไม่มีใครผลิตธรรมะในลักษณะที่ว่าอยู่ในใจโอ้นมันจะไปทำความสะอาดไอ้คอมเมนต์พวกนี้ได้ไงใช่ครับมันเป็นเราจะต้องผลิตธรรมะจริงๆไม่ได้ไปผลิตที่โรงพิมพ์หรือไม่ได้ไปผลิตที่ สิ่งก่อสร้างวัสดุอะไรเราผลิตในแใจของเราใช่ไหมอันนี้เอลมาไม่ได้ด่าว่าว่าคนพิมพ์หนังสือไม่ดีหรือว่าคนผลิตสร้างสิ่งก่อสร้างไม่ดีนะดีนะ ค, คือห ม, มาย <น free S 1> <Warum S 2> ความว่าถ้าเราสร้างสิ่งก่อสร้างแล้วเร า, เ ร, ารักษาศีลห้าเราไม่ด่ากันไม่ว่ากันหรือว่าถ้าเราพิมพ์หนังสือเรามีตรวจสอบความถูกต้องเราไม่ด่ากันไม่ว่ากันมีความสามัคคีร่วมมือกันนะไม่ทิ่มแทงกันด้วยคือหอกคือปากไม่ฝังใจลง ว, ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่เหมือนกับพวกตาบอดที่มาคลําช้างนะเราก็จะ มีธรรมะผลิตธรมะละคุณผลิตหนังสือด้วยคุณผลิตธรรมะด้วยดีมากเลยเดี๋ยวคุณสร้างสิ่งกอ่อสร้างด้วยคุณผลิตธรรมะด้วยทำไมจะไม่ไมดีเพราะคุณผลิตธรรมะอยู่มันก็จะไม่มีการขาดแคลนธรรมะในสังคมสังค ม, <ช>มก็จะไม่ได้เน่าเฟะเหม็นอยู่เหมือนอย่างในปัจจุบันนี้ครับครับเราไม่ต้องเรียกร้องจากใครให้เรียกระทําโดยตนเองเลยใช่เราทําเองเลยจะโกรธเฮ้ยไม่โกรธอ่าเจ้ด่า อืมไม่ได้อย่างไงนะ<ม>จะจีดอ๋อไว้คราวหน้าแล้วกันคราวนี้ผ่านไปก่อนอ<ม>ืมนะมันไม่มีเหผลนะนะที่เราจะไปจีดไปอะไรจริงครับครับก็เพราะฉะ้นกาทอย่างนี้เนี่ยก็คือจะไม่เป็ น, น, น อ, อจะเป็นลักษณะของการเชื่อเรื่องกรรมนะคือตามการกระทําคือหมายคว่าเป็นเจตนาใช่ไหมครับใออโอ้ตรงนี้ก็ มันเป็นที้สําคัญนะแล้วมาคิดว่าถ้าเราจะมาบูชาสักการะเคารพนอบน้อมธรรมะอยู่เนี่ยเฮ้ยเราผลิตธรรมะดีกว่านะผลิตธรรม ะ, <ช>ะด้วยสือ่อด้วยสิ่งกอ่อสร้างอันนี้เรายกไว้ก่อนนะเอาผลิตธรรมะธรรมะอยู่ที่ไหนจริงๆแล้วนะไม่ได้อยู่ในสือ่อไม่ได้อยู่ในสิ่งกอ่อสร้างแต่อยู่ในใจในขณะที่คุณทําสือ่อคุณทาสิ่งกอ่อสร้างถ้าใจิตใจคุณมีธรรมะอันนั้นดี คุณไม่ได้ทําสื่อคุณไม่ได้ทําสิ่งก่อสร้างใช่ไหมคุณทํางานอยู่ที่ราฐอันนั้นและคุณมีธรรมะด้วยนะคุณอันนั้นดีนะคุณทํางานอยู่ในออฟฟิศคุณมีธรรมะด้วยอันนั้นดีแล้วคุณทํากับข้าวอยู่คุณใส่ธรรมะไว้ในกับข้าวด้วยอันนั้นดีดีอ่าครับคุณเลี้ยงลูกอยู่คุณใส่ธรรมะในการเลี้ยงลูกด้วยอันนั้นดีครับอืมันดีหมดอ่ะถ้ามีธรรมะนะตอนอหัวข้อนี้นึกถึง เมื่อเมื่อเช้ามีฟังวิทยุครับท่านเข<ช>าบอกมีผลสำรวจสารวจคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยนะครับคือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มคนเพิ่งทำงานว่าปัจจุบันเหมือนกับว่าความดีความดีในสังคมเนี่ยมันลดน้อยถอยลงจนกระทั่งว่าคนดีไม่มีที่ยืนนะครับแล้วปรากฏว่าคนเนี่ยเหมือนกับจะโกงจะอะไรก็ได้แต่ขอให้มุ่งไปสู่ การได้ลาบยศเงินทองเนี่ยแล้วซึ่งเออหน้าหน้าตกใจมากกับพลตํารวจอันนี้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเห็นความดีคุณความดีเนี่ยไม่ค่อยสําคัญครับอืเป็นประเด็นที่เราต้องต้องผลิตขึ้นมาไงใช่ครับคือถามว่าทําไมมันเสื่อมลงทําไมมันแย่ลงก็เพราะว่ามันเห็นตัวอย่างมันเห็นผัสสะมันเห็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าจิตที่น้อมไปในสิ่งใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น หมายคว่าจิตถ้าติดตรึกในสิ่งใดๆมากเนี่ยจิตมก็จะน้อมไปด้วยการอย่างนั้นอย่างนั้นคือเราไม่ใช่ว่าจะไปโทษคนรุ่นใหม่นะหรือเราไม่ใช่ว่าจะไปโทษคนรุ่นเก่านะถ้าเราร่วมมือกันน่ะไม่ใช่บอกว่าช้างต้องเป็นอย่างนี้ช้างอย่าเป็นอย่างนั้นเธอนั่นแหละทําฉันไม่ได้ทําอ้าวหรือฉันไม่ได้ทํำนะเธอนั่นแหละทําอ้าวไม่ใช่ละไม่ใช่นะต้องเป็นอย่างนี้เจเนอเรชั่นเอ็กเจเนอเรชั่นไคนสมัยใหม่เป็นอย่างนี้คนสมัยใหม่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอ่าเราจะเริ่มอยู่ในพวกตาบากคำจางละ ใช่ครับ เ, เราก็ร่วมมือกันจ้าใช่ไหมคือว่าถ้าเราไปคิดว่าไอ้คนสมัยใหม่เขาเป็นอย่างนี้สมัยนี้เป็นอย่างนี้แล้วแหมเราก็เราก็จะเข้าสู่ลักษณะตาบักคำช้างอ่ะลักษณะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นทวนกระแสนี่ยคือทวนกระแสเข้ามาสู่ตัวแทนที่จะไปหาภายนอกก็หาเข้ามาในตัวอย่างพวกตาบักคำช้างเนี่ยนะถ้าเขาเที่ยวหาว่าอันนั้นไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกอันนั้นไม่ใช่นี้ไม่ใช่หาภายนอกหมดเลยแต่ไม่ได้หาตัวเองว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไง แต่ถ้าโพสต์ตาบอดคำช้างใช้ธรรมะของผู้เช่าจริงๆนะก็คือเขาจะต้องหาเข้ามาในตัวหาเข้ามาในตัวว่าเอ๊ะตัวของเรายังมีอะไรที่ไม่ใช่เราเอาออกเราเกลี่ยออกเพราะฉะนั้นจะต้องคอยดูแหละ ว, ว่าทํายังไงไม่ให้เป็นลักษณะตาบอดคําคช้างอย่างที่ในเรื่องนี้นะตัวอย่างที่ผู้เชา่ายกมาก็คือต้องทนกระแสเข้ามาข้างในเนีนะ่ยทวนกระแสว่าเอ๊ะฉันยังมีสิ่งใดที่ทําไม่ถูกทําไมด่ดีฉันลกออกเปลี่ยนแปลงเนนะนะ่เพราะเราก็คลำๆนั้นนะ่ยแต่ถ้ายังไม่หมดอวิชาก็ยังคลำอยู่ ถึงแม้ยังเป็นโสดบันก็ยังคลั่งหยิบเงินยังไม่รู้หมดทั้งตัวเพราะฉะนั้นพอเรายังไม่รู้หมดทั้งตัวเราอย่าไปเถียงแต่เราก็มาทวนหาด้ในตัวเราว่าเอ๊ะตัวเรายังมีอะไรที่ไม่ใช่เราเค่อยเปลี่ยนแปลงคอยทําความรู้ให้เกิดขึ้นคนนี้ก็บอกว่าเอ้าช้างเหมือนกระดงเฮ้ทําไมช้างฉันเหมือนพ่อมนะเราต้องทําความรู้สวนกระแสเข้ามาข้า ง, างหนว่าเออความรู้บางอย่างที่ฉันยังไม่มีก็มีสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงได้ใช่ไห ม, มเราก็อยา่าไปพึงเชื่อ ว, ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่า เอ้บางทีโรคอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเราก็ค่อยเปิดกว้างเอานะครับเพราะว่าส่วนตัวอย่างที่เราเห็นเอคนรุ่นใหม่ทึ้งเวียนวายรุ่นเนี่ยสนใจธรรมะแล้วก็เอสนใจศึกษาและปฏิบัติมากพอสมควรก็มีใช่ครับเพราะฉะนั้นยังยังยังคนมาปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่อายุอยู่ในช่วงมัชฌิมวัยก็มีเยอแยะ ใช่เยอะที่เดียวใช่ครับพี่แต่เขามาโปรโมทกันมากว่าส่วนใหญ่เป็นงี้เอาแล้วถามว่าที่บอกคนดีไม่มีที่ยืนเน่ะมันก็ยังมีที่ยืนอยู่ไหมทําไมหมอรัชพงศ์ยังมีที่ยืนทําไมครอบครัวหมอรัชพงศ์ยังมีที่ยืนทําไมคนที่ดีๆเป็นอาแดบุคคนตั้งหลายเขายังมีที่ยืนเอาแสดงว่าเขายังมีที่ยืนอยู่สิจริงครับอมันก็ก็ต้องเปิดกว้างนะอมาว่าเราต้องใจกว้างนะอืในการที่จะผลิตธรรมะในการที่จะสร้างสรรค์ ให้ให้ใจของเรามีธรรมะครัก็ต้องช่วยกันหมุนธรรมจักรอันนี้ถึงจะเรียกว่าไม่เป็นวัตโกตัละลมงคลอจริงครับเรียกว่าการการบูชาการที่ทำอย่างจริ ง, จ, รงจั ง, จ ง, จงทำอย่างให้ถูกจุดถูกความหมายของขอ ง, ของสิ่งที่พูชเจ้าสอนวัตโกตัวละมงคลงจริงๆแล้วมันก็จะตรงกันข้ามกับเรื่องของอกรรมนะ oh. คือคนที่ มีวัตถโกตัวและมงคลเนี่ยจะไม่เชื่อเรื่องกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าไปเชื่อใลักษณะที่คนอื่นบันดาลให้ได้ใช่ไหมการบูชาการบันดาลอในขณะที่คนที่เชื่อเรื่องกรรมก็คือคือเชื่อเรื่องกรรมก็พยายามที่จะละวัตถโกตัวละมงคลออกไปอืเพราะนั้นการบูชาเนี่ยจึงเป็นรูปแบบที่มันก่ำกึ่งนะคือหมายความว่าบางทีการบูชาในรูปแบบไหนล่ะบางคนก็จะตราหน้าว่าบูชาแบบนี้วัตถโกตัวละมงคล คนแล้วรูปแบบของานบูชาเนี่ยจริงๆคืออะไรนคิดว่าจะพูดถึงตรงนี้สักนิดหนึ่งครือหมายความว่าการบูชาจริงๆแล้วเนี่ยที่อย่างที่หมอรัฐพงษ์ว่าก็คือเรื่องของการปฏิบัติบูชาใช่ไหมครับสูงสุดที่นี้มันจะมีประเด็นที่พระเจ้าพูดถึงว่าการให้ทานเป็นการบูชาไหมก็เป็นการบูชาเหมือนกันนะเป็นเป็นการบูชาด้วยการให้การบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องรูปและรูปทา <ใ>จริงแล้วในในพระไตรปิฎกที่ปรากฏอยู่เนี่ยอามาลองพยายามที่จะสืบหาดูว่าเอนในสมัยพรุทธเจ้าเนี่ยมีการเอาดอกไม้ทุบเทียนอะไรอย่างนี้ไปบูชาไหมหมายว่าจุดทุบเทียนอย่างนี้ไหมอ่ะนะมีไหมครับก็ไม่ไม่ปรากฏเห็นอืมก็จะมีในชั้นสองสามร้อยปีหลังที่อยู่ในอัตถคถ า, าที่บอกว่าเขามีการเอาของหอมไปบูชาอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้อาจจะจัดเข้าได้กับทุบเทียนพวกนี้นะครับ ซึง่งจริงๆแล้วมันก็ของหอมบูชาได้ไหมก็อย่างเช่นดอกไม้ก็ได้ครับก็มีอาหารการกินหอมไหมก็มีกลิ่นเหมือนกันแฮมันก็เป็นสิ่งที่บูชาได้ครับครับแล้อันนี้<ม>นึกถึงคําถามคุณรัตนวดีนะครับเขาถามว่างไงล่ะที่บอกว่ากลิ่นหอมของจันทร์กฤษณาอุบลกระหล่ำ<อ>มีในย่าแตกต่างจากดอกไม้อื่นๆในปัจจุบันเช่นกุหลาบมะลิอย่างไรนะครับ อ, อหมอธนองเคยเห็น หรือว่าเคยสัมผัสไอ้ไม้จันทไหมไม้จันทไม้จันไม้กลิศนาพวกที่เป็นไม้หอมอะไม้หอมไม้หอมนะครับจันท์เหลืองจันทแดงพวกนี้มันจะมีกลิ่นหอมอยู่ในเนื้อไม้อะใช่ครับอถ้าเราไปดูในตามริชพันธ์เนี่ยถ้าเราลูบลูบมือนิดนึงเนี่ยหรือว่าขัดมันออกนิดนึงเนี่ยโอ้โหมันกลิ่นมันหอมขึ้นมาแล้วหรือกลิ่นดอกไม้ก็ตามกดอกกล้วยไม้ดอกอะไรที่มันหอมๆแบบมันก็มีกลิ่นหอมออกมาใช่ครับ ในยะที่พุทธเจ้าบอกว่าเอฟสู้กลิ่นของผู้มีศีลไม่ได้เอ๊ะมันต่างกันยังไงอืมไหนว่าตรงตรงนี้ย้อนมาเรื่องของหอมนิดนึ่งใช่ไหมแต่ว่ากลิ่นหอมต่างๆเหล่านั้นก็ตามเนี่ยจะไม่สามารถทวนลมไปได้อ๋ออ่าจะต้องไปตามลมเท่านั้นไปตามลมลมพาทางไหนก็กลิ่นไปทางนั้นแต่กลิ่นของผู้มีศีลเนี่ยหมายถึงกิตติศัพท์ของผู้มีศีลเนี่ยนะมันสามารถกระจายไปได้ทุกทิศทางอ๋อไม่ได้ ทวนลมตามลมมันไปได้หมดอ่าอันนี้โอ้ลึกนะลึกนะอันนี้พระเจ้าเป็นคาถาเล็กซึ้งมากเล็กน้อยเพรากลิ่นของผู้มีสี่งอย่างชื่อเสียงของหมอรพพง์เนี่ยนะว่าหมอรพพง์เป็นอ่าทันตแพทย์ที่มีความตั้งมั่นในสีอย่างเงี้ยนะชื่อเสียงของหมอรพง์ก็จะทวนลมไปได้แหละอือย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าใครสักคนใดคนหนึ่งปฏิบัติบน้าประชอบนะชื่อเสียงของคนนั้นก็ทวนลมไปได้ละนะปากต่อปากมันบอกกันไป นะมีการปฏิบัติที่ไหนออนดีๆออกไปมันก็บอกบอกต่อกันไปนะ<ม>ก็ทวนลงไปได้นะหอมออนานแล้วก็ไกลแล้วก็มากกว่านะกลิ่นหอมที่มาจากดอกไม้หรือต้นไม้หรือว่าสเก็ดอะไรก็แล้วแต่ครับสามารถขจรขกจายไปมากไม่มีประมาณอย่างน<ม>ี้ใช่ไหมครับใช่ส่วนกระลำพักนี่เป็นชื่อของเศษผงอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง มันจะมีอยู่ในเนื้อทองด้วยนั่นคือเป็นลักษณะของผงอ่ะเอเดจะพูดคือผงหอมอ่ะผงหอมนี่หรอไหมที่เขาใช้อินเดียก็จะมีผงที่จุดไฟแล้วมันก็เป็นกลิ่นกำยานขึ้นมาอ๋อกลิ่นใช่ครับผงลักษณะนั้นแล้วเขาก็จะเรียกว่ากะลัมพักซึ่งเป็นก็เป็นลักษณะผงะซึ่งผงนี้อาจจะปนอยู่เปื้อนอยู่ในทองเศษทองหรืออะไรก็แต่ที่มันเป็นสารปนเปื้อนนี่ก็มีเขาก็เรียกกะลัมพักเหมือนกันครับอ่าก็ก็ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นกลิ่นของ สีนทวนลมไปได้ก็จึงดีกว่าแล้วก็หอมยาวนานกว่าที่นี้พอเราพูดถึงเรื่องการบูชาด้วยของหอมใช่ไ่อการบูชาตรงนี้แล้วเนี่ยก็ด้วยการที่นี่จริงๆแล้วมันอยู่ด้วยการให้ในการให้ทานนะที่บูชาบอกว่าให้ทานด้วยอะไรบ้างด้วยอาหารปัจจัยสีของหอมกระดุลกระดุลธาเสนาสนะ ด้วยการเข้าไปอุปถัภอุปถามพวกนี้เป็นลักษณะของการให้ทานได้ครับเพราะฉะนั้นก็คือจะเข้าขายว่าบูชาด้วยการให้ทานโอเคครับบูชาด้วยการให้ทานครับด้วยการให้ของหอมได้ทีนี้แล้วถามว่าการให้ทานกับจาคึาต่างกันยังไงการให้ทานกับจารึกเป็นคำถามของคุณนัดนันสามมาพอดีว่าไหมวันนี้เราพูดไปนี้เก็บหมดเลยนะเนี่ยครับก็คือ ถ้าเราไปดูพุทธประนะพระเจ้าเคยพูดถึงจาคะเนี่ยเช่นว่าสละอะไรบ้างสละพวกอาหารใช่ไหมสละข้าวสละสิ่งนี้เป็นลักษณะของจาคะเงินทองอย่างนี้ใช่ใช่ที่ไปคนคนดูนั้นในขณะที่ทานเนี่ยมีอยู่หลายที่มากและทานนี่ยังพูดถึงการที่ไม่ฆ่านี่ก็เป็นมหมาทานการที่ไม่ลักทรัพย์ก็เป็นมหาทาน ใช่ครับาการที่ไม่พูดโกหกก็เป็นมหมาทานแล้เพราะนั้นทานเนี่ยจริงๆแล้วมันกินความกว้างกว่าจาคะตรงที่ว่าจาระเนี่ยเฉพาะสิ่งของคุณสลัดสิ่งของให้ไปในสละสิ่งของให้เนี่ยบางทีมันเขาจะไปยึดในสิ่งของที่เราให้อย่างสมมติเราให้ขอาทานสิ บ, บาทอย่างเงี้ยครับนี่คือจาระ น, นะในขณะที่ขอาทานรับเงินไปสิ บ, บาทโอ้นี่ของฉันเนี่ยมันก็จะมีนัยยะที่ว่าไปสร้างความยึดถือให้เขาได้แต่แต่แตพูดถึงจาระก็คือเฉพาะสิ่งของ ในขณะที่ทานเช่นเราจะให้ทานความโกรธให้ใครจะรับไปมันไม่มีใครรับหรอกนะก็หมายความว่าสมมติเราจะโกรธคนนี้ยเราจะให้ทานความโกรธเราจะโกรธคนนี้เราไม่โกรธแล้วกันเราเราถือว่าเราทานให้สังสารวัฏไปไม่มีใครจะมารับนะคือทานออกไปเลยออย่างเราจะฆ่าสัตว์เงี้ยเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วกันนะเราทานการฆ่าออกไปนั่นเป็นมหาทานนะเข้าใจไหมไม่ต้องมีผู้รับอ่คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์คือมหาทาน จะด่ามันละจะด่ามันละโอ้ยเราเอาละมิฉาวาจาแล้วกันการละตรงนั้นคือฐานแล้วนะอ๋อครับนี่คือมหาฐานแล้วนะอืมไม่ได้ต้องมีผู้รับนะคือคือละให้สิ่งอื่นก็ได้ครับนะคือให้กับสังสารวัฏขึ้นไปเพราะมันเป็นของสังสารวัฏมาอืมเหมือนกันให้อภัย่ี้ก็คือไม่จำเป็นต้องมีผู้รับอเป็นมหาฐานเพราะฉะนั้นฐานก็จะกินความกว้างกว่าครับแล้วก็อืม ก็อยางให้ให้ให้ชีวิตให้อวัยวะเหมือนว่าเราเราเผื่อวันนึงเราหมดลมหายใจเราให้ร่างกายนี้ไปสําหรับการศึกษาอันนี้พระพุทาก็พูดถึงการให้ด้วยทานเหมือนกันไม่ได้ใช้คว่าจากค่อ๋อครับอย่างพระพุทธาตอนนั้นเป็นเวสันดรครับนะตั้งใจว่าจะให้ทานอวัยวะทานดวงตาทานหัวใจถ้าจะมีผู้มาขอแก่เราที่ตรงนี้ตั้งใจว่าจะให้ทานอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหแผ่นดินสวรรค์ไหวเลย แต่ตรงนี้ก็ใช้คําว่าทานไม่ได้ใช้คําว่าจากค้าเหมือนกันเป็นทานครับนซึ่งดูดแล้วการใช้คำของผู้เช่าก็จะเนี๊ยบตรงที่ว่าจากค้านี้ใช้กับสิ่งภายนอกครับทานนี่คือใช้ตั้งแต่ตัวเราเข้ามาจนถึงสิ่งภายในทั้งหลายแหละครับอืกินความกว้างกว่าจะมีผู้รับจะไม่มีผู้รับก็ได้คือหมายความว่าทานนี่ก็จะรวมถึงสิ่งภายนอกด้วยนะแล้วก็รวมตั้งแต่ตัวเราเข้ามาด้วยอืมก็ดีเป็นประเด็นที่อก็ช่างสังเกตอนะ ครับ <ใน S 1> คุณนัทคุณนัทก็เป็นแฟนประจําของเราเนี่ยซึ่งมีความละเอียดในการอ่านตัวพระสูตรนะครับต้องขออนุโมทนาด้วยครับทีนี้เรื่องการบูชาเราไล่กันมาแล้วนะตั้งแต่บูชาว่าเออเราจะบูชาไงมาเราคงพูดถึงเรื่องการปฏิบัติอันนี้ดีมากใ ช, ใช่ไหมการบูชาด้วยการให้ทานคือพูดถึงของหอมเลยเลยเป็นเรื่องศีลการบูชาด้วยการให้ระเบียบดอกไม้ของหอมใช่ไหม เราก็พูดถึงความแตกต่างระหว่างทานกับจัคะใช่ไหมยังมีการบูชาอื่นๆอีกเยอะแยะในสมัยก่อนพราหมณ์นี่เขาบูชาไฟกันอ๋อใช่บูชาไฟต้องรีบสี่ชั่วโมงนะคุณห้ามทําให้เปลวไฟนี้ดับไปนะสั่งลูกน้องอย่างดีต้องคอยเติมเชื้ออยู่เรื่อยๆตอนกลางคืนเผลอหลับปุ๊บไฟดับนี่โอ้โหเป็นเรื่องกันยกใหญ่เลยอโดนหนักโดนหนักทีนี้ถามว่าบูชาพระให้บูชางไฟเนี่ย ก็พุทธเจ้าก็แบ่งแยกไฟออกเป็นไฟที่ควรบูชานี่ยก็คือพ่อแม่สามัญะบริวารบุตรภรรยามิสหตยพวกนี้คือที่ทั้งหกน่ะอเป็นไฟที่ควรบูชาบูชาดีๆอย่าให้มันดับนซีดนั้นก็จะไม่เป็นภัยนี่คือไฟที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นไฟที่ควรบูชาไฟที่ควรรัก็มีคือไฟคือราคข้าทศโมหะอ๋อกิเลสทั้งพวงไฟที่ควรรับรู้ก็มีคือไฟคือผัสสะทั้งหลายอ้โหจมูกลิ้นกายใจคือไฟ เพราะนั้นคือบูชาจะหยิบเอาของพวกเนี้ยมามาสอนแยกทายนะครับแล้วเรากำลังจะพูดถึงแค่บูชาบูชาไฟแต่บูชาไฟก็คือทิศทั้งหกของเรานี่แหละนะเพราะนั้นอย่างคนไปกราบอะ่ะกราบทิศกราบทิศเนื้อได้ล้ออกตกข้างบนข้างล่างบูชาสอนอยังไงถ้าคุณจะกราบใช่ไหมการเคารพนอบน้อมทิศนะเอะ่นี่ไงพ่อแม่บุตรภรรยาญาติมิตรสหายครูอาจารย์สมณพราหม์ลูกน้อง่คุณบูชาทิศพวกนี้ ชื่อว่าบูชาละครับเพราะฉะนั้นบูชาอย่างนี้ก็ได้ก็คือว่าเรารักษาหน้าที่ของเราให้ดีอันนี้บูชาละครับเนาะอันนี้เรื่องกรับเรื่องของทิศหกก็ทำหน้าที่ตามที่ยังดูอย่างท่านพระสารีบุตรสิการจะกราบอย่างยังกราบไปที่ทางที่ท่านพระอาชาชิอยู่อาชชีครับนอนยังนอนหันหัวไปทางที่ท่านพระอาชาชิอยู่ และจนก็ทั่งคนหนึ่งิมาทิศทักว่าท่านกราบทิศบูชาทิศถูกโจทย์อ่าซึ่งท่านก็พยายามที่จะหมายความว่าอิบายด้วย ค, คุณธรรมใดล่ะในจิตแต่บางคนก็จะมองว่าการกราบของท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นว<ป>ัตโกตูรละมงคลอืีกผู<ห>้ชายไมา่ได้สอนให้กราบทิศนะทำไมพระสารีบุตรไปกราบทิศเป็นวัตโกนแน่นอนอนะคนที่ไปโจทย์นี่ต้องเสื่อมแน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งในสิบเอ็ดอย่างถ้าคนโจทย์เป็นโสนบันใช่ไหม คุณอาจจะเสื<ด><ช>่อม<ช> อ, อยู่แต่ไม่เข้าถึงในรกรเนิรดได้ฌานปริวิสัยหรอกแต่สัตธรมของคุณจะไม่ผ่องแผ้วคุณอาจจะถูกต้องโรคอย่างหนักมันก็เป็นไปได้มีมลทิ น, ทนครับนนในขณะที่อถ้าเบอกว่าเราไม่โจดนะก็คือเรียกว่าไม่ด่าว่านะไม่ด่าบริาพายเขาอะนะรเราไม่รู้นี่ว่าจิตของท่านเป็นยังไงอะ่ะจะมาว่าการกระทําของท่านตรงเนี้ยเป็นมัตโกหรือไม่เป็นโอ้โหมันมีหลายอย่างรูปแบบเปลี่ยนไปหมดนะเนาะเพราะนั้น เราต้องดูลึกๆในจิตของบุคคล น, นั้นนะมันไม่ใช่อยู่แค่สิ่งภายนอกที่เขาทำบางคนยกมือไหว้สารพูิมัน ม, มันก็ไม่แน่นะอาจจะไม่ใช่วัดโกหักลละมงคลก็ได้<ม>อ่าว่าจิตเขาเป็นยังไงสารพูมินนั้นมีรูปพ่อแม่เขาอยู่เปล่าอ๋อผู้มีพระคุณอ่าครับอย่างการรลึกถึงเทวดาอย่างเงี้ยอ่าก็เรียกว่าอะไรนะเทวตานุตาสติอย่างเงี้ยเออ เราไม่ใช่ว่านึกถึงว่าโอ้ขอให้เทวดาช่วยลูกช้างเธอวันนี้จะไปสอบวันนี้จะไปทํางานวันนี้จะไปทําอะไรสักอย่างอย่างนนหนึ่งเนี่ยครับแต่คนส่วนให ญ, ญ่อย่างนั้นนะครับ อ, อ่า <laughs> ก็ <laughs> ก็ถ้าผมว่าไม่ใช่วัตโตกลทำยังไงแต่ผู้เช่าพูดถึงเทวตาพลีไอยขอไปเทวตานุสติอย่างเงี้ยด้วยการระลึกถึงศีลนะศรัทธาศีลจาระพัญญาสี่อย่างนี้นะของเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งที่ทําให้เข้าไปสู่อ่าสู่ภพภูมินั้นๆ เราก็นึกถึงศรัทธาตรงนี้เรานึกถึงใจค่ะตรงนี้เราถึงศีลตรงนี้เราึถึงปัญญาตรงนี้ครับอันนี้ไม่ใช่วัตโกอืมเป็นเครื่องรเลึกถึงนะครับใช้นึกถึงเทวดาเพราะว่าคุณธรรมของเขาเช่นศรัทธาเป็นต้นนึกถึงเทวดาเพราะว่าคุณธรรมของเขาเช่นศีลเป็นต้นทําให้เข้าใจเทวดาอย่างเงี้ยอืมอืมอืั้นแสดงว่าในการการกระทําอย่างเดียวกันเนี่ยอาจจะ มีเป็นวัตโกก็ได้เป็นวัตโกตุกลาภมงคลก็ได้หรืออาจจะเป็นอ่็เรียกว่าเชื่อเรื่องกรรมก็ได้ครับเพราะฉะนั้นบทเพียรชนะบางทีบางคนก็อาจจะกําหนดไม่ถูกหรือว่ามีการเบ็ดเบียนไปก็ไม่เป็นไรคืออย่างน้อยเราพยายามศึกษาครับนะ เ, เนาะใช่ครับครับมีคําถามตบทายของคุณปณิทิตนะครับเรื่องเกี่ยวกับการสวดมนต์คือท่านเห็นว่าอ่าการสวดพวกบทศิ้นห้า หรือ่าสังขารอะไรอย่างเงี้ยก็มีประโยชน์แต่ว่ากรณีบทของพาหุง ห, หรือชินะบลชนท่านเห็นว่าความหมายมันประโยชน์น้อยอย่างเงี้ยครับอืมก็เลยอถามความเห็นว่าในเรื่องของการสวดเนี่ยผมคิดว่าอ <บท S 2> ต้องต้องพูดอย่างนี้เราต้องแยกกันนะครับือหมายความว่าแยกกันระหว่างสัมมาวาจากับสิ่งที่เราจะสวดสิ่งที่เราจะมาทบทวนนะคืออย่างบทพาหุงเป็นสัมมาวาจามั้ยหมอนรพงศ์ว่า ผมไม่เคยสวดแต่ว่าน่าน่าจัาคือหมายว่าเป็นบทที่เขาพูดถึงชัยชนะของพุทธเาว่าชนะช้างชนะรังคีรีเอชนะนางจินจัมมานิกาชนะต่างๆด้วยคุณดุลธามาราเรติพระองค์มีนะอืเอานี้เป็นอามาว่าเป็นสัมมาวาจานะสัมมาวาจาคือหมายว่าคนที่เขาแต่งบทนี้เนี่ยเขาได้กล่าวสัมมาวาจาไหมคําตอบคือใช่ครับใช่ไหมทีนี้ต้องแยกประเด็นออกไปสัมมาวาจาคือสัมมาวาจาดีอยู่แล้วใช่ไหมเราถามว่าเแล้วเราจะเราจะเอาคําพุทธเามาทบทวนเนี่ย คือการสวดนี้เป็นการทบทวนนะเอเราจะเอาไหนมาทบทวนดีอืก็คําไหนก็ได้ที่คุณต้องการทบทวนอเพราะนั้นก็คือคุณจะควรจะทบทวนคําที่เป็นพุริชาอะเป็นของพุริชาลครับอ่าด้านนั้นเองอเพราะนั้นหมายความว่าเอ๊ะอะไรที่เป็นพุทธวจนะอะไรที่เป็นสิ่งที่พุทธชาได้ตรัสเอาไว้เรามาทบทวนเพื่อที่ความที่เราจะได้เอาไปปฏิบัติได้นะคืออย่างสมมุติถ้าคนสวดอะไรอิทติพิโสอย่างเงี้ยสวดเป็นข้องเลยนะอ่า <c oughs> แต่ว่าถ้าด้วยความที่ว่าคาถานี้ทำให้ฉันเป็นอย่างนั้น <c oughs> อย่างนี้อันนี้คุณคุณเข้าข่ายนะวัาตะโกตวลามงคลตะโกคือเออะไรมาไม่ได้จะโจดใครนะแต่ว่ามันเข้าขายอ่ะ<ค Lisa> <c oughs> เพราะว่าเราหวังว่าคาถานี่จะทําช่วยให้เราเป็นอะไรส <c oughs> ักอย่างหนึ่งได้อแต่ถ้าอะเราเราลึกถึงคุณธรรมของพระพเจ้า <priced S 2> <c oughs> โอ้โหเพราะเห็นอย่างนี้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็นผู้ใครจากกิเลสนะเห็นอย่างนี้อย่างนี้มันอย่างไหนอย่างไหนโอ้โหเยอะมากเลย นะตั้งแต่ชักชวนชาวหมาชนให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมตั้งแต่การที่ประสาน ญ, ญาติมิตรเพื่อนพ้องไมตรีตั้งแต่การที่ให้ทานอย่างมากไม่มีประมาณอย่างเวลามะพร้ามโอ้โหมันสุดยอดอยจริงๆริเนี่ยเราระลึกถึงตรงนี้นะคือศรัทธาศีลจาักาปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาของพระองค์อย่างนี้ยโอ้โหนี้มันสุดยอดนะอันนี้เป็นเชื่อเรื่องกรรมใช่ไหมไม่ใช่ว่าตัวเราละมงคลแล้วตัวเรามีมอ่าเราทําให้มันมีอย่างครับ S <S เพรานไอ้คำว่าอิติปิโสภากรวาอย่างเงี้ยถ้าคนสวดไม่เป็นนะเอามาสวยเฉยไม่รู้คาแปลด้วยรู้คำแปลแต่ว่าไม่ได้ทําจิตอย่างนั้นด้วยอันนี้ก็เข้าข่ายนะอืมก็ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่อ่าไม่ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่แต่ถามว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นสมาบจารไหมเก็นกันนะเป็นนะอครับครับอ่าแล้วก็ถามว่าถ้าเราทําจิตเราก็าให้ปรับจิตไปเพราะว่าถ้าคุณยังเป็นโสดาปฏิมักอ่ะโซดาปฏิมักอ่ะคุณยังมีวัตถโกตุหรมงคลแน่ครับใช่ครับ พยายามที่จะละแต่ว่าก็พยายามที่ทำความเข้าใจเพราะว่าตัวโกตุระมังคลมันอยู่ในจิตการการที่เราไปเราต้องการเชื่อให้ถูกเราก็จึงจะต้องพยายามที่ฝึกที่จิตของเราครับก็คือเลือกบทสวดที่ถูกต้องแล้วก็ทำบ่อยๆเพื่อที่จะโน้มจิตโน้มการกระทำเข้ามาในสู่ในมัก<พ>มัสมีองค์<พ><พ>ปรเพราะฉะนั้น บทสวดที่ถูกต้องคือสมมติเป็นพุทธประจนาก็ตามครนะสวดถูกต้องแล้วคุณคุณเข้าใจด้ไยมคุณจําได้ไหมคุณเข้าใจเนื้อความอย่างที่ผู้ชาต้องการสื่อด้วยหรือเปล่าอืมครับอันนี้นะเพราะว่าอาตมาเห็นประโยชน์มากเลยสมหมอไอ้พงศตอนที่เราเรียนบาลีเนี่ยถ้าเราจําศัพท์บาลีได้หรือจําการผันรูปประโยคได้จําโครงสร้างไวยากรณ์ได้เนี่ยการแปลการใช้งานของเราจะรวดเร็วมากอะคหรือว่าอันนี้เช่นเดียวกันอย่างเราจําพระสูตรได้มาก เราจำได้ว่าพระเาตรงนี้พูดอะไรพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บคานั้นมันโผล่ผางขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้มันใช้งานได้อ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นการท่องจําสิ่งใดๆที่พระเจ้าสอนวันนี้ดีครับการทรงจํามีประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณเป็นการกาสะสมอาวุธอืมอีแล้วแล้วพอจำไปจําไปเนี่ยความหมายมันจะแตกมากขึ้นอ๋อความหมายเออหมายถึงว่าความเข้าใจในความหมายคือเราเราเราทรงจําเนี่ยเราแค่เป็นปัญญาชน ที่ได้พูดถ่ายคุณก็คุณเอาความรุ่งพระยามาส่งจำแต่เราจะทําความรู่นั้นให้เกิดขึ้นในสิ่งของเราได้ไงอินดิวิโซเราก็สอนไปตั้งนานแล้วในทั้งไทยได้ทั้งบาลีในทั้งบาหลีได้ทั้งไทยในเมื่อก่อนได้แต่บาหลีเดี๋ยวนี้ได้ไทยด้วยได้ไทยด้วยจําได้ด้วยแต่ว่ามันยังมันยังไม่รู้จริงๆนะไม่เป็นวินยูนะจนกระทั่งเราพยามที่จะเข้าใจอ๋อเป็นสิ่งที่วินยูชนก็รู้ได้เฉพาะตอนอย่างเงี้ยอ้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี้ยนะเพราะฉะนั้นการจําได้เป็นสิ่งดีทําให้เรา มันมันแอสโซเชตกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งปุ๊บมันก็จะผาออกมาเป็นธรรมะขึ้นมาได้นะใช่และระดึกรู้ได้รวดเร็วครับใช่ครับเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้นะคือเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนความเห็นของเราให้อยู่ในสมาธินะสมาธิทินี่จะเป็นตัวที่เปลี่ยนเจ้าวัตถโกตุขารามงคลนี่ให้เป็นไปในเรื่องของกรรมให้มากขึ้นอ๋อครับสมาธิิองคปัญญานี้สําคัญนะครับอ่าเป็นสมาธิเบื้องต้นที่ว่าเราเราจะต้องมี ความเข้าใจในเรื่องธรรมะอย่างถูกต้องใช่ไห ม, มเพราะฉะนั้นธรรมะเองก็ตามเนี่ยมันอยังคําสอนพระเจ้าหลายๆส่วนหลายๆสิ่งที่สาวกยังเข้าใจผิดในสมัยพุทธกาลก็มีพระเจ้าคอยเตือนคอยบอกคอยสอนนะเราก็ต้องค่อยๆทําไปคือเพราะว่ามันก็ไม่ได้เก่งทุกคนนะนะ่ ค, คนที่เก่งน้อยก็มีคนที่เก่งมากก็มีมนะก็เหมือนบัวหลายๆเหล่าที่พระเจ้าเปรียบเที ย, เเทยบเอาไว้เบเไว้พราะฉะนั้นถ้าเขายังตาบอดอยู่ ยังคําหัวช้างแล้วก็บอกว่าเป็นพ่อมเอ้ยแต่หัวช้างมันมันจะไม่เป็นพ่อมนะมันจะเหมือนเป็นผานอ่ามันจะกลายเป็นอย่างอื่นเหมือนกระโดงอย่างเงี้ยหัวช้างอย่างเหมือนหม้ออ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเรายังคําแล้วเรายังไม่รู้แต่เราคุณอย่าไปผูกฝังใจว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะเราก็เปิดกว้างไว้คอยที่จะทําความเข้าใจให้มากขึ้นครับเนาะ อการบูชาอีกนิดนึงเพื่อให้ตรงนี้อมันจบจ บ, จบไปได้ไดนะครับคือมีห ล, หลายๆคนอาจจะต้องการทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยสมมุติเราเอาอะไรสักอย่างนหนึ่งใบบูชาอย่างบูชาพระพุทธรูปร ร, ปรูปเหมือนพระพุทธเจ้ากับบูชาตัวพระพุทธเจ้าจริงๆอ่ะอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันตัวพระพุทธเจ้าจริงๆครับอคือหมายว่าบูชาพระพุทธรูปจะได้บุญเท่ากับบูชาพระพุทธเจ้าจริงๆไหมไม่ไม่น่าจะเท่ามันไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหม ทีนี้ทให ม, มบางคนถึงบอกว่าถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ า, เ, าเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วนะ ค, คื อ, ค อ, คอตรงนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้อย่างหมอรัตพงศ์เอาธนบัตรขึ้นมาเห็นรูปในหลวงในธนบัตรนะรรเห็นรูปในหลวงในธนบัตรมันไม่เหมือนกับเห็นในหนังสือหรอกว่ามันเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองมันไม่ใช่สีจริงๆ ค, ความละเอียด<น>คมชัดไม่เหมือ น, นไม่เหมือนกันนะเป็นรูปวาดด้วยจนกระทั่งคุณมาเห็นในหนังสือจริงๆโอ้โหอ๋อเป็นอย่างนี้มันก็จะมีภาษาอีกแบบหนึ่งใช่ไหมใช่ครับทีนี้เมื่อมาเห็นรูปในหลวงในทีวีโอ้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะเป็นภาพเก่าๆโอ้นี้มันมันทำให้มีอรรอีกรมหนึน่งนะมีภาษาอีกแบบหนึง่งใช่ครับทีนี้พอเห็นรูปในหลวงปัจจุบันนะที่เคลื่อนไหวด้วยอยู่ในทีวีโอ้โหมันเป็นภาษาอีกแบบหนึ่งนะครับใช่ไหมมันดีขึ้นมานะเอาเห็นในหลวงตอนที่ไปเฝ้ารับเสด็จเลย อืมันอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยนั้นไกลๆหน่อยแต่เห็นในหลวงตอนใกล้ๆเลยอย่างคนที่ไปรับพระราชทานปริญญบัตรเนี่ยใช่ครับวันที่อีกอารมณ์หนึ่งเลยนะคนครับคนละเรื่องหมอรัชงศ์ไดรับพระราชทานปริญญาจากพระพักรพระหัตของอ่าจากมันอีกอารมณ์หนึ่งนะครับแล้วถ้าเราเราอยู่กับหน้าในหลวงได้ปราศัยได้สนทนากับพระองค์อ่ะโอ้โหมันอีกอารมณ์หนึ่งนะใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่ามันก็ในหลวงองค์เดียวกันนะ ใช่ไหมเขาจะทํารูปในครอบในหลวงเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันแน่คือหมายความว่าผัสสะมันไม่เหมือนไม่ใช่ที่ตัวของพระพุทธเจ้าแต่ไม่เหมือนที่ผัสสะของเราหรือเปรียบเหมือนเวลาที่เราไปทำวัดเช้า ว, วัดเย็นเยนะเราคิดว่าสมมุติว่าพระพุทธรูปนีนะ้คือพระพุทธเจ้าแต่มันไม่เหมือนกับอยู่ต่อนหน้าพระพุทธเจ้าจริงๆหรอกนะหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เพิ่งบรรณาภาพไปอย่างรู้ตามหาบัวอย่างเงี้ยตอนที่ท่านอยู่นี่โอ้พระหกสิบรูปนะ หกสิบเกือบเจ็ดสิบบางปีต้องอันแล้วอันอีกเนี่ยแต่ว่าพอท่านมรณภาพไปแล้วพระก็เหลือสิบกว่าไม่ถึงยี่สิบอย่างเงี้ยแต่เพราะความที่ท่านไม่ได้อยู่แล้วเน่มันมันไม่เหมือนกันนะภาษามันแตกต่างกันตรงนี้อืมพราษาว่าคุณทําจิตให้เหมือนอยู่กับอยู่กับเหมือนกับอยู่กับหน้าหน้าพระพุทชาจจริงๆเลยได้ไหมด้วยจิตที่มีศรัทธาแบบนั้นเนี่ยเพราะศรัทธามันเกิดจากภาษาใช่ครับเกิดหมายว่าทุกใช่ไหมทุกคืออะไรทุกคือภาษาทุกคือนหน้า นะทุกเป็นเหตุให้เกิดศััทธาปัศสัทธาที่เราจะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยแหมเราเห็น พ, พุคครูป<ม>จริงๆเนี่ยาบางคนยังติเลยอู้ยทำไมหูเป็นอย่างงี้ผมเป็นอย่างนี้ทั้งนี้ว่าแทนที่คุณจะระลึกถึงบูชาจริงๆครับอืมอืมอมันี้เล็กซึ่งครับใช่เพราะนั้นถ้าเราจะบูชาอย่างอย่างเรานึกถึงพ่อแม่แหมเรากราบพ่อแม่อที่เป็นตัวเป็นเป็นน่ะก็เรากราบเสาทีหนึ่งเอ้า คือกราบพ่อแม่ได้บุญมากกว่าแน่นอนดีกร่ากราบสาวใช่ไหมแต่ถามว่ากราบสาวกุณระลึกถึงใครคือแปลว่าถ้าเราเห็นรูปพ่อแม่อยู่เรากราบรูปพ่อแม่กับกราบพ่อแม่จริงๆที่เท้าของท่านเนี่ยอันนี้ได้บุญไม่เท่ากันนะอได้บุญไม่เท่ากันนะ่าพระอาตมากำลังจะบอกอะไรอาตมากำลังจะบอกว่าถ้าใครยังมีชีวิตอยู่เป็นๆจริงๆเราควรจะบูชาคนนั้นอืมเพราะอะไรเพราะพรรษะมันมากพรรษะใช่ครับเราเห็นตาเป็นๆหน้าเป็นๆจับต้องได้ คุยสันธาได้เราควรจะบูชาสิ่งนั้นคือคือไม่ได้หมายความไม่ได้ว่าไม่ต้องบูชาเพระพุทธเจ้าที่ที่ปริทินพาไปแล้วนะอันนั้นคุณคุณระลึกในจิตได้นั้นในขณะที่เราก็ทําไปพร้อมๆกันได้นะคือคุณกราบพ่อแม่คุณเป็นจริงๆเนี่ยตอนเป็นๆเนี่ยดีกว่าตอนกราบตอนที่ท่านตายไปแล้วอืมอืมอืมเข้าใจแล้วอ่า เข้าใจครับเราเอาอาหารมาให้พ่อแม่กินตอนเป็นๆ เ, เนี่ยดีกว่าเอาอาหารมาให้ท่านกินตอนที่ท่านตายไปแล้วอืมใช่ครับอันนี้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเรา<ช>เราเจอพระสงฆ์<ช>หรือใครก็ตามที่เรามีศรัทธาเนี่ยควรจะมาบูชาหรือคนที่เรามีต้องการจะสัการะเคารพนับถือบูชาเนี่ยคุณควรจะมาบูชาตอนเป็นๆดีกว่าตอนที่ท่านตายไปแล้วออันนี้ถูกต้องเลยครับเราควรจะบูชาพูะเาตอนเป็นๆดีกว่าตอนที่ท่านตายไปแล้วประเด็นนี้ผ่านไปแล้วครับอ่าทําไงดีพระเจ้าไม่อยู่แล้ว ผู้ชายทิ้งมอดตกแหล่ไปให้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าทำประสงค์อย่างเงี้ยเราก็ทําตามนั้นแค่นั้นเองครับอืมใช่ครับอาจมาไม่รู้จะอธิบายในในพอดแคสต์หรือการเขียนด้วยว่าอย่างไรนะใช่ครับไม่เป็นไราะว่าโดยคําอธิบายก็เข้าใจได้เข้าถึงได้อืมครับเพราะฉะวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องอะไรไปบ้างหมอรัพง์ก็เรื่องของการปลดคำช้างครับการปลดคํำจ้างเราได้พูดถึง เรื่องโสดาปฏิปนสโสดาปฏิมากใช่มครับถามครับเราได้พูดถึงเรื่องการที่ต้องมีที่สักการะที่พึ่งที่ระลึกถึงที่เป็นสมณพราหมณ์ที่เป็นตัวบุคคลเป็นเป็นนะอันนี้ก็ดีส่วนหนึ่งรเรื่องของทานกจาขะทานกจากขะมีความแตกต่างกันนะพูดถึงเรื่องของบท<ช>อะไรก็ได้ที่เป็นสมาวาจาก็ดีในขณะที่ถ้าเราจะต้องการ มานึกถึงจำคำพุชาไม่ได้เราก็เอาพระธิวัจนะมาทบถวนมาท่องจำไม่ได้อันนี้นจะเกิดประโยชน์มากครับเ้วก็ยัง<ช>ได้พูดถึงปัตสะนะ่ะที่เกี่ยวเนื่องกับการที่มีสตานะสรุปจบตรงที่ว่าเราควรจะบูชาสิ่งที่เราเห็นจับต้องได้นะมีปัตสะมากก็จะทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดเนาะครับให้ครับ ก็วันนี้สมควรแก่เวลานะครับมีคําถามอะไรก็ค่อยส่งมาจะมีคําถามค้างบ้างก็จะค่อยตอบในตอนต่อๆไปครับวันนี้ก็ตอบได้หมดเลยครับตอบหมดแล้วครับถ้าท่านผู้ใดมีคําถามนะครับก็ส่งมาที่พิเอลธรรม .com ครับก็วันนี้สมควรแก่เวลาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปครับกราบน้ัระสการขอบพระคุณพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไห่โศกจังหวัดอุดรธานีครับสารทุจริตวัดกราบกราบพรัสการและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ